بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ع าอัล ل อฮ์เราเล ا าอัลลอ ن ์เ ل าเล่าอัลลอฮ์เ ل าเล่าอัลลอ ر ์เราเล่าอัลลอฮ์เราเล่าอัล ب อฮ์เราเล่าอัลลอฮ์เราเล ا าอัลลอฮ์เ م าเล่า و ัลลอฮ์เาเาอั่าอ่าอัาเเราเาออเลอัลเลา์ฮาฮอาลา่ารั คำตุลย์ละที่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในทุกวันอังคารค่ำลงก็คือข้าววันศุกนะครับรู้สึกว่าวันเวลานี้มันมันเร็วจ้ะเป็นสัญลักษณ์ของวันเกียม์ะที่ลอสสุภาราคัวจะได้กล่ิดที่ท่านอดีได้บอกเอาไว้เป็นสัญญาณวันเกียรมาแต่พอรู้บุษมาสัญญาณหนึ่งก็คือเวลามันจะใกล้ คิดกันอันนี้นี่เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ว่าใครๆก็สัมผัสถึงความรวดเร็วของเวลาผ่านไปในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนหรือปีเนี่ยมันช่างเร็วเหลือเกินนะฮะและกส่วนหนึ่งก็คือตะกอลุ่มอสวการที่ตลาดตลาดที่สถานที่ต่างๆเนี่ยมีความใกล้แล้วก็เป็นความจริงด้วยนี้คือตลาดระบบเห็นทั่วทุกคนไมแห่งนะครับ การที่ได้ศึกษาอันกุรณานเนี่ยมัน เ, เป็นสาเหตุทำให้เรามองโลกหรือว่าเราเข้าใจสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเราได้ไขขวดอันกุรณาล้อสุภารัวระตาลาไ ด, ได้ให้ทางนำสำหรับนักเสียชัดก็คือในอันกุรณาทีงสิ้นช บทสรุปของอันอุรานทั้งเล่มเนี่ยก็คือสุรบัติภาราที่อุลมะได้บอกเอาไว้สุรบัติภาราที่เราได้กล่าวทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยอุลมะก็บอกได้นะครับนั่นคือสุรบัติอื่นๆเนี่ยมาอธิบายเนื้อหาของสุรบัติภาราสุรบัติภารนี่คือเป็นอุ้มมุนกิตาเป็นมารดานเป็นแม่ของคำพีรทั้งเล่มเลยนั่แสดงว่าเนื้อหาที่เราจะศึกษาเนี่ย มันก็จะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับสรลฟัินะในวันนี้เช่นเดียวกันหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้สัาตา์ก่อนนู้นด้วยนะระจะรู้แนวทางของอันอุรลานี่ยัหลาที่ออสัปห่ล้เารัปดาห์นนนนะฮจะู้วทางอนลาดะในี้เป่นเนดีนหลงทสูางอิ่ลราซดรอยนรูดาห์ก่อนนูน้นดนทางของนนอันอุลลาดิะในกุรนี้เชนีกันังี่ส่ลราได้เรีย แสดงว่าสุรอนนี้เนี่ยก็จะมาอธิบายว่าผลทางของอลัลลอฮ์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างบรรดาเออรอซูลท่านต่างๆเนี่ยที่ได้ว่าเชิญชนผู้คนสู่ผนทางของข อ, งอลัลลอฮ์เนี่ยเป็นอย่างไรสัปดาห์ก่อนที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงข้อกล่าวหาของบรรดามุ้เชี่กีดที่มีต่อบรรดารอซูลซึ่งพวกเขามอกว่ามันเป็นจุดด้อยทาไมอลัลลอฮ์เนจึงส่งรอซูล เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราพวกเขาเแหลกใจทํำไมพระเจ้าไม่ให้เป็นม า, ายกยาทอยู่ว่าสมุทรเทพเนะี่ยมาเป็นเป็นทางนางําหรือเป็นเผู้นําทางเรา ไ, ไปสู่พระเจ้าแต่เรื่องนี้เราได้ทราบกันแล้วนะว่ามันมันย้อนแย้งกับสิ่งที่พวกเขาปฏิบัติขณะที่พวกเขาไม่พอใจที่จะให้มนุษย์เป็นหล่อซูดมนุษย์เป็นศาสนาพูดขององค์ของพระเจ้าแต่พวกเขากลับพอใจที่จะให้ ก้อนหินที่จะให้ต้นไม้เป็นพระเจ้าเลยคือมันเป็นอะไรที่ย้อนแ ย, ย้งกันมากพวกเราว่ามันสังธรรอื่นจากอัลลอ์สุบฮานหัวใจและตราบนี้นะครับดังนั้นบรรดาสูตจะจึงมายืนยันว่าพวกเราเนี่ยอินอนันิลชมมุมิตกุมพวกเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกท่านเนะะี่ยแหละ แต่ประเด็นที่มันต่างกับมนุษย์ทั่วไปก็คือว่าละอินอัลลอฮฺยะมุนูอะลัยมัยะชาอุมินอิบาริอัลลอฮฺต่างหาเป็นผู้ประทานความโปรธบางแก่ บ, บ่าวของพระองค์ที่ผู้องค์ทรงประสงค์นั้นแสดงว่าบรรดาเราซูนเนี่ยไม่ได้มาจากการคัดเลือกคัดสรรจากตัวเองแต่มาจากการคัดเลือกของคนที่ปฏิเสธเราซุนเนี่ยจริงๆก็คือการปฏิเสธของว่าไม่พอใจใจคนนั้นคนนี้เป็นเราซูนเนี่ยก็คือไม่พอใจ อัลลอฮ์ที่คัดเลือกบรรดาในเรลซูเหล่านั้นและจริงๆแล้วความไม่พอใจเนี่ยส่วนหนึ่งหรือส่วนสาคัญเนี่ยมาจากการอิจฉ า, าิษยาอย่างบรรดาชาวยาฮูดนซา ร, รอเนี่ยไม่พอใจที่ใครเป็นรสนับท่านนาบีมูฮัมมัดสอ ล, ลลัลวลฮุะลิสซาังนั้นีพวกเขารู้แต่ไม่พอใจเนื่องกอะไรในใจอิจฉาทิษยามาจากสายตระกูลของใครครับอาหรับทั้งที่เดิมมันมาจากบริอิสรอีเ น, นีทั้งสิ้น รสุขท่านต่างๆมีจานวนมากแต่มาจากบริสุทธิแล้วแล้วตอนไหนนายดีบอาตอนอรักวาีี่รู้หรือเปล่าตอนรักวีนีตกใจถ้าเราศึาปรว่ตศาสกลับมาที่บ้านซัีรัตติรี่มายชนหนแสดงว่านาดีรู้ว่าอนนี้คือจิบรีนี่คือวายีแล้วถ้ารู้ตัวตั้งแต่แรกว่าจะเป็นนาดีเนี่ยก็คือกํากเข้จด้เอ่กันดีที่พยายามให้ตัวเองสบแต่ละลักฐานี่ว่าปวิศาสตร์ยินันชัดเจน นายดีไม่รู้แม้รต่ขณะรัาไหวอีแล้วยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าตนเองเป็นนายดีแล้วตองให้วรรคุีเราไปมา บ, บอกนั่นคือนามุสเป็นจิเบรีมาหาเิยมาหามูซาในสลับแสดงว่าใครเลือกครับท่านนาดีไม่ได้เลือกเองแต่เราสุปาหานมอตัเป็นผู้เลือก่นดนั้นคนที่ปฏิเสธรอซูนเนี่ยก็คือคนที่ปฏิเสธมลถูกไปฏิเสธรอซูนคือไม่ยอมรับการเลือกของล แต่นั้นแหละ l a h สุา ร, า, ราหุตะเอานเหมือนกันไม่มนุษย์ไม่ได้เป็นผู้เรือกอย่างที่เราซุ่บอกว่ามากานต น, านาอุมมิสนลบิดน้านาาาต า, ต า, ตาะนมาเนี่ยไม่ได้นำมาตามทรรมาตแาตาาา่ เ, เป็นผู้ประทานะแต่นั้นปัญหาของมนุษย์เนี่ยก็คือที่ไม่รับรอา่านไม่รับอยอมรับรอซุนก็คือปัญหาที่ไม่ยอมรับ a l h สุภาาหุตะปฏิเสธตอ ที่เป็นรอรบุระจะมีหจะมีในอายะที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ชอบแต่ส่วนนึงก็คือตอนต้นของสุรบัรเนี่ยพวกใช้คาว่าเป็นคานาของอันกรมีบทนาแล้วใช่หสรบัตนและมีคำนำอุบเป็นเนื้อหาที่ดีมากถ้าอายะแรกของสุรบัตรนครับส่วนนึงเนี่ ย, นนยลักษณะของมุคคลที่จะได้รับทางนาจากอันกรก็คือบัณฑมุตตปีนมีห้าลักษณะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือ วันละนีน่ะยุบิน ونة บมาออีนัยกะว่ามาอุน z i l l บินกอลและบดาัท์ต่อ ส, สิ่งที่ถูกประทานลงมาอย่างเจ้าและสิ่งที่ถูกประทานลงมาก่อนหน้าเจ้าไปเพรวาะ่าอะไรฮะหมาะวามาว่าศัพทาต่อทุกสิ่งที่ถูกประทานลงมาจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะเพราะอะไรฮนะคือนั่นคือการศัพทาต่าออัลลอฮ์การไม่เลือกศัพทาบางส่วนเพราะทุกอย่างเนี่ยที่ถูกประทานลงมาเนี่ย เป็นอนุมัติของขวอคนที่ปฏิเสธเนี่ยจริงๆก็เขาเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากอิจฉาทิศยาทำไมเล่าประกานที่คนนี้ทำไมต้องเป็นรอซูต้องเป็นคนที่ทมไมรอซูตเป็นมนุษยอันนี้ประก่างนานาแสดงว่าสิ่งที่พวกเขาปฏิเสธอันเนื่องจากการอิจฉาทิศยาดังนั้นการขาจาัดการอิจฉาวิศยาเป็นปัจจัยหนึ่งของคนที่จะได้รับทางนําจากอังกุรานนั่นเอง บรรดาผู้ปฏิเสธแบรรดาผู้ดือด้อดืงอึงเหมือจริงแล้วเนี่ยเขาได้มีโรคหรือว่าได้มีปัญหาทางด้านจิตใจนั่นเองนะครับในวันนี้เราจะมาศึกษากันต่อในอายาที่สิบสองเป็นต้นไปนะครับชอลล์จะสิ้นสุดอายาเนี่ยน่าจะถึงที่สิบชอลล์นะครับผมจะอ่านนะครับทีละ อายะเราจะมาศึกษามาไขว่ควอเนื้อหาพร้อมๆกันแยาจะเรียกเล่าให้กล่านะครับอายะขั้นต้นเนี่ยถึงการยืนยันของรอซูลแต่ละท่านนี่คื อ, เ, อเรื่องราวที่ถูกกล่าวให้แก่บรรดิอิสลามเช่นกันนะครับการยืนยันกับบรรดานรอซูลเอการยืนยันกับกลุ่มชนของรอซูลแต่ละท่านเนี่ยถึงการเป็นมนุษย์ถึงความปรารถนที่จะเล่าให้กับตาที่ระโลมสมประสงค์ ถึงการน n หลักฐานนั้นในต้องได้รับอนุมัตจากอัลลอฮ์ในถึงการที่บรรดาผู้ัตย์นจำเป็นจะต้องมอบหายต่ออัลสุบะการหัวแต่อาฮาอ์นะถ้าข้าะ้ฟานโดว่าแนแลวั่นทลอัลลอฮิวัฟดาห์ดานาสูลาและวันน้นรงละมาไดทุมนาวะอลลฮิฟ กาลิลมุตวัวกีรุนลาสบฮานวะตะกลาว่ามาลานะและทำไมเล่านี่เป็นคำถามนะฮะเาบอกและอัลลอ์เท่านั้นบรรดาผู้สันทาเนี่ยจงมอบปกายตรอองค์ว่ามาลานะแลทำไมเล่าพวกเราอัลลอฮ์และตัวเราจึงไม่มอบไปายต่อเขาเรียกว่าอิสติฮาร์การีคำถามเชิญปฏิเสธไม่ได้เป็นคำถามต้องการตอบ ว่าทำไมคุณจะไม่ไปอ่เพื่อนชวนผอว่าไปด่าคจีว่าหรือไปที่นั่นที่นี่กันทําไมจะไม่ไปล่ะไม่ได้ใส่ผว่าเขาต้องการเจะทําไมคุณจะไม่ไปเขาไม่ได้ถามเป็นการถามต้องการคำตอบแต่เป็นการถามเป็นการเน้นย้ําว่าไปแน่นอนอายาัยะนี้เช่นเดียวกันว่ามาละนาอัลลาตอวัลกะลาอัลน้อแล้วทำไมพวกเราจะไม่เข้าไปตอบละ่ะเท่ากับความหมายก็คือพวกเรา ต้องมอหมายต่อรัศกรานหัวใจอย่างแน่นอนทำไมครับวอบาเดฮาดานาสุบุลนาทังที่พระองค์นั้นเกื้อรัศกรานหัวใจได้ให้ทางนำชี้แนะแนวทางสุบุลนาให้แก่พวกเราวอบาเดฮาดานาสุบุลนาท้าที่รัศกรา น, นั้นนะครับแสดงว่าการมอบหมายเนี่ยผูกพันกับทางนำผูกพันไปอย่างไ ในเมื่อรถสุปาราหันต์หัวตาให้ทางนํากับเราแล้วเรากับคือเราเนี่ยอยู่ในทางนาของอถสุปาราหันต์หัวตาแล้วเนี่ยคือทางนํานี้จําเป็นจะต้องมอบหมายต่อรถเหมือนกับคนขับรถแนะในเมื่อเราตัดสินใจเดินทางไปกับเพื่อนไปต่างจังหวัดแล้วและเราให้เขาเป็นคนขับรถคือเราจะมามัวบอกว่าเอ้ยแกขับไปถูกไหมหรือแกขับดีไหมแกขับเป็นไหมอะไคือถ้าคุณตัดสินใจขึ้นรถตั้งแต่ที่แรกแนะครับไม่ต้องถามแล้ว เพราะการถามนี่คุอมั น, เ ป, นเป็นการลังเลเป็นการสงสัยแน่หรอนใช่ไหมอยู่ในทางอยู่ในรถแทนเดินไปเลยเราจะไปเส้นทางเหมือนกันคนขับก็มีคนเดียววอลิยาหยิบมัตาาลาุนอาล้การที่เราเนี่ยยอมอยู่ในทางของ้องเป็นผู้ศรัทธาต่อร้องเนี่ยรับทางนักเจาะร้แล้วจำเป็นจะต้องมอบหมายต่อร้อนสุภะหัวตาและการมอบหมายตรงนี้เองเป็นพลังที่ทําให้เราเนี่ยเออ ไปถึงจุดหมายได้อยา่างไม่หวั่นหวและนบิรอนอละมาอานิจูนนและแน่นอนและนัสบิรนี่คือเป็นการเน้นย้ำเห็นลานี่คือลาเน้นย้ำนะนบิรอันนอ น, น, อนก็คือนนตคิดแปลว่าเน้นย้ำเช่นกันและแน่นอนพวกเราเนี่ยจะอดทนอดทนต่อไปอลมาอนิจูนนะต่อสิ่งที่พวกท่านพวกเจ้าเนี่ยได้ทำร้ายพวกเรา ผลทางขอรองสุภาหามหูตะระเนี่ยแน่นอนเต็มไปด้วยบททดสอบและบททางนี้เนี่ยตลอดยุคปณิสัตร์เนี่ยจําเป็นจะต้องมีผู้ที่ต่อต้านหรือผู้ที่ไม่เห็นด้วยนี่เป็นเรื่องปกติธรรมชาติและจะต้องมีเ อ, อแต่นัสบูรันจะต้องใช้การอดทนเนี่ยเคียงคู่กับการมอบหมายต่อรองสุภาหามหูตะละเนื่องจากว่ามีคนที่เขาขัดขวางผลทางของร้องคนที่ไม่เข้าใจ ว่าผลทางของร้อนนั้นเป็นผลทางที่ดีงามคนที่ไม่เข้าใจเห็นว่าผลทางนี้เนี่ยจะริกรอนผลประโยชน์ของตัวเขาเองทั้นนั้นที่จริงๆแล้วผลทางนี้มีแต่นําประโยชน์มาแังนั้นจิงจำเป็นต้องบาานซสบิรันนะจจำเป็นต้องอดทนต่อสิ่งที่บรรดาผู้ปฏิเสธสัจธรรมะได้ตุมนาะ ว่าอัลลอฮ์ยาัลลอฮ์นั้นฟัลยยาตวักลิมุตุวะกิลอันนียังเนยากิดะยาอัลลอฮ์นั้นบรรดาผู้มอบหมทั้งหลายอันมุตุวะกิลจงมอบหมายต่อพระองค์เท่านั้นคำว่าอัลลอเนี่ยปกติเนี่ยตวักกันดาอัลลอฮใช่ไหมครที่เรากล่าวบิสมิลลาฮิวะลาฮิลาอัลลอฮเอบนแตวาัลลอฮัลลอฮไดอยู่ข้างหน้า จะให้ความหมายเป็นการชี้เฉพาะว่าอัลลอฮ์เท่านั้นเหมือนกับที่ผมได้การเสนอแล้วูมาพิสมาวาทูนั่งอัลลอฮ์เลยเป็นเจ้าของอัลลอฮ์เท่านั้นในความหมายเขาเนี่ยเขาแปลว่าเท่านั้นด้วยใช่ไหมและบรรดาผู้มั่งความไว้วังใจมอ่ความไว้วางใจต่ออัลลอฮ์เท่านั้นเท่านั้นเนี่ยก็คือการนําเอาอาลาอฮ์มาอยู่อัลลอฮ์เนี่ยมาอยู่ข้างหน้าทํากิริยาซึ่งปกติเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยจะอยู่ก่อนบิสมิลลาห์ ต่ว่ากันนะเอาลองลองเอาลอลองนี่คืออยู่เมื่อไแต่ถ้าําอยู่เมื่อไรเหมือนเก่าในสุรสมาธิขานเนี่ยอียาก่น้าบูดเราไมได้บอกว่าน้บูดนบูกัวนสตนุกันก็ใช้ได้แต่คำว่าอียาแต่น้าบูดจะใหความหมายที่หนักแน่นกว่าเพราะเราบอกว่าเราเราสักกระตออัลลอฮ์เราสักการะต่ออัลลอฮ์คนที่บอกว่าหนอาบูดนาบูลลอฮัน ว่าเราและผู้อื่นจะกอาล้งด้วยก็นดาแต่ถ้าเราเอาคำว่าเฉพาะพระองค์เท่านั้นเนี่ยมอยู่ข้างใ น, นอีแย้กันนะแสดงว่าไม่มีผู้ใดที่เราจะากสักการะนอกจากเราอีกแล้วในสมมติฐานอัีเขาจะมีอะไรที่เนื้อสัตร์เนี่ไม่ไม่มีโดยตรงนะคคือการาเรียกว่าตัดีตัดพี้การนำมาก่อนนําหลังเนะี่ยและมันเป็นสมน์ที่ทำให้อ่านแล้วเนี่ยต้องออรู้เลยว่ า, วาเอาล้เท่านั้นที่ บรรดาผู้มอบหมายจะจําเป็นต้องมอบหมายอันนี้แตกแต่างกับอายักข้างบนก็คืออันบุมินุนมอบหมายต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมฮะอายักนี้อันรูอตอวะกิลูนก็หมายถึงบรดาผูา้กล่าวคือถ้าหากคนหนึ่งคนไหนต้องการจะมอบหมายชีวิตของเขาเนี่ยต้องเจออุปสรรคแน่นอนทุกคนใช่ไหมฮะถ้าต้องการจะมอบหมายกับใครสักคนแล้วเนี่ยจง ม, มอบหมายต่ออัลลอฮ์สุบฮานุฮุวาตา แต่การมอบหมายต่อร้อนเนี่ยจําเป็นคือมันเป็นเรียกได้ว่าเป็นศาสตรว่าเป็นความเข้าใจเป็นคิดก็ได้ครความเข้าใจที่ถูกต้องต่อาการมอบหมายเพราะคนเข้าใจคาดเคลื่อนไม่ถูกต้องว่าการมอบการมอบหมายคืออะไรบางว่าแต่ว่าการมอบหมายเข้าใจคิดก็คือมอบหมายคือการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องอีกหนึ่งข้หนึ่งที่ จะสร้างภาพให้เราเข้าใจความ้อบหมายการมอบหมายได้ดีที่สุดหฮดิษต์หนก็คือหฮดิษ์ที่ท่านนดีได้พูดถึงเรื่องนี้ที่ไดิสตนี้มันชัดเจนว่าการมอบหมายเนี่ยมันเป็นประโยชน์หลายอย่างนะฮะทำให้เราได้เผชิญภูมิศักดิต่างๆได้ได้เป็นปัจจัยที่จะได้มาซึ่งริสกีปัจจัยชีวต่างๆท่านนีพตลล่างันได้บได้บอกว่าเราอันาหาพวกท่าน แต่ว่าการู้เนะ่ยมอบหมายอัลลอฮฺอิตะอาห์ฮักตอบแต่ว่าผู้ดมอบหมายอัลลอฮ์อย่างแท้จริงรับตอนนี้แปลว่าอย่างแท้จริงแต่ว่าผู้ดีด้วยการมอบหมายอย่างแท้จริงแล้วใจแสดงว่ามีการมอบหมายแบบแบบไม่จริงก็คือเอาไม่ใช่ไม่มอบหมายแล้วยังไม่ได้อ่ะมันต้องมีอะไรผิดสักอย่างไม่ถิ่เพราะการมอบหมายของเราคือใจเราเนี่ยมันมันไปอย่างอื่นก็ผิดพ่องวันปฏิบัติของเรา มันมีสองส่วนเลยนะมันไม่ใช่ว่าเออใจร้อยแล้วมันไม่ได้ใจร้อยแล้วเราทำไมไม่ได้คุณอาจจะผิดที่การปฏิบัติก็ได้หรือการปฏิบัติคุณชิงพยายมทุกอย่างใจคุณอาจจะไม่ตรงตกับเราก็ได้ในเรืะองของสองส่วนแล้วเราจะบอกลุ่มของราสัญญาท่านจะมีสัญญาว่าถ้ามาบาอบหมายต่ออย่างแ ท, ท้จริงแล้วเนะี่ยแล้วเราระปลูกกลุ่มต่อเราจะมาทานบิสตีให้แก่พวกท่านอย่างแน่นอนล่านุดแปลว่าแน่นอน การมาเหมือนกับที่ให้ดูตัวอย่างเล้สอนนะเวลาแล้ถ้าจะมีสอนสอนให้ดูธรรมชาติดูนกแต่ยเรจะเข้าใจถึการป้องปเป็นเรื่องแปลกสอนคือม น, นุษย์เนี่ยได้รับประโยชน์ผู้ศรัทธาได้รับประโยชน์จากสิ่งถูกสร้างมากกว่าใครทั้งสิ้นโดยเฉพาะในช่วงทีรายินเนี่ยก็จะมีการกล่าวในตัวในตัวนันนออกปรายินเองนะเป็นผู้ที่ใไ้ปวดชีวิตเป็นผู้ที่มองนั่นมองนี่แล้วก็เคยขอตอบว่า ให้เห็นพระองครวิบาย่ลวกบอกวาล้อานเราไม่เอานกมานะแต่โชตดไม่ได้ไเห็นให้ไม่เห็นเราไก่ก็ต้องให้ยินมาแต่เราให้พื้นคืนชีพขึ้นมาได้อย่างไงเราก็สั่งให้เอานกมาแล้วก็มาสั่งแล้วก็ใ ห, ให้ไปไว้ตามภูเขาแ ล, เแล้วก็เรียกมันมันก็จะมาอันนี้ก็นกเป็นการสาร้างเกาะหรการให้พื้นคืนชีพช่ไหมับถ้ามีุมาสลว์วาย ก, ก็บอก หาพวกท่านมอบฝันต่อร้อยอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยอัลลอฮจะประทานปัจยจงชีพหรือริสกีให้แก่พวกท่กนานกรเมือนกับที่ยาลูซุบุตไปนกที่อัลลอฮให้ริสกีกับมันอ่แสดงว่าอัลสอนทน่านอบีสอนให้เรานะมองนอกสิ่งถูกสร้างที่เป็นธรรมชาติการมองนอกจะเห็นถึงความมหึมใหญ่ของในโซลาหุ่นเก่าถึงเวลาที่นกการปิอะไรต่างๆแสดงว่านกเนี่ยเป็นสิ่งถูกสร้างที่ มาสัญจรแล้วก็เ อ, อให้บทเรียนง่ายที่กรารวากไปเมือ่อที่ให้รีสิ่กับนกแต่ดูคีมาสัญเวลามันออกจากรังแต่ตอนเช้าเนี่ยมีอาหารไหมครับไม่มีออกไปสภาพที่ท้องกิ่วก็คือท้องไม่มีอาหารแต่ประเอยู่ที่ไหนครับไปเด็นคือการทําหน้าที่การปอดไปเนี่ยนะ ออกไปทำหน้าที่ในการสแสวงหาทิศสกินี่คือปัจจัยที่มาจากตัวผู้ปฏิบัติอย่างนบที่ได้ทำก็คือโัวผู้ปฏิบัติคือการมอบหมายว่าเรู้แล ะ, ะมาบดีตอนนั้สนสภาพท้องเมีอยเต็มสามยังสามารถนำเอาอาหารมาให้กับลูกของมันได้วันนี้คือเพื่อ ม, มูล แสดงว่าทันีจุดนี้สอนให้เราเราเมตไมบูลต้องอก็คือมอเมตไพบัลลัลคือไม่มีข้อสงสัยว่าล้อเนี่ยจะให้ดิสกีหรือไม่และสอนก็คือทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถเนี่ยเช่นกันนี่คือสอประกาศและเนี่ยเช่นกันสําหรับวัานัสบิรนาอรัลามาในตุมูนการที่เราจะเผชิญกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทีเพราอาจจะวางแผนหรือต้องการที่จะทำลายล้างบรรดาคนดีทั้งหลจะเป็นใครก็ตาม เขาเจตนาไม่ดีและเราบอกรจะอดทนอดทนไม่ได้ไหมายถึงว่าเราจะปฏิบัติตัวตามอัธยาศัยหรือปฏิบัติตัวอันเป็นสายทำให้ อ, อ, อันตรา ย, ยาเกิดขึ้นกับเราได้เราก็ต้องมีการระวังยาไอวัลดินาบ อ, อ, อบัุอรอปะโอปบนาพุศสกขาทั้งหลายคุรูริตรกุมจงระวังตัวให้ดี น, นี้พูดถึงอายะห์เกี่ยวกับเรื่องของสงครามคือการระวังตัวงานจะออกไปไหนไม่ไหนเพราวะที่มันไม่ดีหรืออันตารายเนี่ยก็ให้ระวังตัวอันนี้พูดถึงสมัยก่อนแล้วก็สมัยนี้เนี่ยเช่นเดียวกันแสดงว่าการอดทนเคียงคู่กับการมอบหมายกล่ อ, อล้อสุภาษารหัวตลาและการมอบหมายที่ถูกต้องก็คือต้องปฏิบัติตามปัจจัยที่ล้อสุภาษารหัวตลาดแนะนําด้วยนะ นี่คือคํากล่าวของออบรรดารอซูลที่กล่าวกับกลุ่มชนของออท่านเหล่านั้นซึ่งมีบรรดารอซูลหลายท่าอซูปรวตาได้กล่าวต่อไปหลังจากนั้นเนี่ยบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กลา่าวตอบโต้รอซูลของพวกเขาดูนะครับว่าคํากล่าวของพวกเขาเนี่ยมันมีความใช้พึงกับยุคของปัจจุบนนันไหม มากขนาดไหนคือเหมือนกับว่าเป็นคำพูดเดียวกันหรือว่าเป็นการล้อหินแบบกันมาซึ่งความจริงก็อาจจะไม่ได้เรียนแต่งโดยตรงแต่เรื่องจากก่งตลกมันเป็นแบบนี้แต่การสึกษาผู้อ่านทำให้เรารู้วอา ม, มันเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเพียงแต่ว่าเราถอดรหัสให้ดีว่าใครพูดอะไรใครทําอะไรและสุดท้ายเนี่ยผลลัพธ์มันต้องทําอย่างไรเราก็จะแนะนํานะครับ ا ل ل ه على و َ ق َ ا ل َ ا ل ذ ي ن َ كَفَرُوا ل ر ُ س ل ه ِ م ل َ ن ُ خ ر ج َ ن َّ ك ُ م مِنْ أ َ ر ض ن ا أَوْ ل َ ت َ ع و د ُ ن َّ فِي م ِ ل ذ ن ا ف َ أ و ح َ ى إ ل َ ي ه ِ م ر َ ب ُّ ه م ل َ ن ُ ه ل ِ ك َ ن َّ ا ل ص َّ ا ل م ي ن วะแล้วสินั่นนับมุ่งอาระบมิ่มเบื้องลิมนั่นคืออะไรนะครับดังั้นที่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาอันลนีนักับเราดิรุสุริปฏิเสธต่อใครปฏิเสธต่อรัศวลของพวกเขา เราซุนเนี่ยเราซุลบอกเนาะแต่เราซุนบอกว่าเราซุนว่าผู้สื่อผ <tinc S 1> ู้เป็นสื่อกลางสื่อกลางะไรนําสารของพระนิวามาเราซูลอินเลิบบาเลราซูลไม่ได้มีหน้าที่อะไรเนี่ยนอกจากนาสารของพระมาให้และเป็นภารกิจใหญ่ที่สุดของบ้าเราซูนเราซุนจึงจึงจเป็นทุกคนเราซูลเนี่ยจึงเป็นเราซูลอินเนีเราซูลุนอาบีนจึงเป็นผู้ที่มีอำนาจ อัลลอฮ์สุบฮานอวตาราใเลือดเลือดของเราซุนเป็นผู้ที่มีอำานาจที่สูงส่งที่สุดเราซูนของอัลลอ์และวอ็เราซูนของพวกเขารุสุลนะก็จะมีช่ะรุสุลนะปฏิเสธเราซูนของพวกเขาแสดงว่าบรรดาเ ร, ราซุนเนี่ยภารกิจคืออยู่แค่ตรงกลางไม่ได้มีอะไรเลนะไม่ได้มีสว่สวไนไะด้ส่วนเสียเดยทั้งที่นอกจากนามัลาของอัลล์อันนี้คืออัลล์จะให้มนุษย์แต่ละคนไปรับรจากอัลล์โดยตรงมันก็มันไม่ได้ใช่ไ ก็เลยให้เราซุนเป็นเป็นสื่อเป็นทูตเรียกว่าศาสนาทูตทูตเองศาสนาหรือทูตขอร้องนำเอาสาขอร้องเนี่ยมาดังนั้นภารกิจใหญ่ของเราซุนเราซุนนี่เป็นคนดีอยู่อยู่แล้วภารกิจใหญ่ของเราซุนนี่ก็คือจะถูกสอบสนเรียกว่าเกียร์าเนี่ยคือเรื่องของอะไรนะเรื่องของอัมมานะหันดันแล้วหรือเปล่าท่านไหนทักเสือแล้วหรือยังดังนั้นบ้าเราซูนจะจึงกลัวกลัว สิ e ่งที่ท่านเนี่ยจะนาเสนอในอย่างมากคือจำเป็นต้องนาเสนอทุกๆอย่างที่ลอสซูปาลาในวันแต่ละรอบอะลอสซูไม่ได้สู่ทางเออทาความผิดนั้นทำความผิดนี้หรือเปนี่เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่แต่ในภารกิจนี้จริงๆเนี่ยก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติตามแนวทางของบรรดาลอซูแต่อาจจะไม่ถึงขั้นที่เป็นภารกิจเอ่อยิ่งใหญ่เหมือนกับบรรดานวีลาลอซูที่อย่างเชท่านบีโมมาโซ่าอะไร้ วันคืนทั้งแตคิดแต่เรื่องของอุ้มมาเรื่องของประชาชาติเรื่องของการนำสารยังไงเอาไปให้กับผู้คนนะฮะและนํานําเสนอต้องหมดอย่างดีและต้องหมดจดเกลี่ยงกล่ำทั้งหมดนี่คือประเด็นของรอศุนต์มีฮะาาดิษบทึงท่านจะดีซองเราสมัยบอกว่าไอวันเกียม์มาเนี่ยผู้คนจะถูกนำตัวมารอศุนถูกสอบสวนบรรดาผู้ชนของพวกเขาเป็นถูกสอบสวนสอบสวนในเรื่องอะไรนะทิศายนะเป็นทุยมามา ก, ก, กยหม่ำหมักแั้และทนอื่น จงดูไหมจ๊ะจะถูกสอบสวนสอบสวนเรื่องอะไรจะถามว่าถามเราซุ่นเราเล่าถามเราซูนเหท่านเนี่ยได้นำสารของพรองค์เนี่ยไปยังกรุมชนนงคนแล้วเนีอยเงพระสุองนัาไปเรียบร้อยแม้วเวลากรุมชนนงคถูกสอบสวนถามท่านปฏิเสธเราซู่แล้วก็เราซู่นนาสารไปหรือเปล่าโอ้นม่ไม่ม่ีคือปฏิเสธทั้งสองสองโลกในโลกนี้ปฏิเสธว่าที่เป็นเราซุนของเราใช่ไหมไม่รับสาร ในวันเกียร์มาเนี่ยเราถามนาไปรียร่ยังเราซูนท่านนี้เนี่ยนบีนุ่ามาเนาบีแต่ละท่านแต่จะถูกกลุ่มชนเอปฏิเสธทั้งสิบสองครั้งปฏิเสธค ร, รั้งนึงในโลกไี้ปฏิเสธครั้งหนึ่งในโลกเนี่เราซูนก็จะถูกถามอกลุ่มชนเขาถูกไหมเราซูนท่านนี้นำเอาถามเลยใครมากกว่าครับใครมากกว่าคนสันทารหรคนปฏิเสธทุกยุคสมัยคนปฏิเสธมากกว่ายกเว้นกลุ่มชนของนบี ยนัสอาลีสต์ลแต่คนส่วนใหญ่เน <as> <at ik> ี่ยปฏิเสธทั้งหมดก็บอกปฏิเสธมากกว่าแต่จะลงประชามติในประเด็นนี้ได้หอเปลเราซูญสูบไปแล้วแต่เราบอว่าเลาสู้ประธานาวิตดีแล้วก็ให้ความเป็นครรถามรัฐสูรท่านนั้เสนอเรื่องยังทำเสนอแล้วแล้วใครเป็นพยานให้กับพวกข้าใครเป็นพยานให้กับท่านเราซูญแต่ละท่านเพื่อจะบอกว่ามุฮัมมัดบะอุมัดอุลมุฮัมมัดและประชาชาติของเขา ใครกับพวกเราก็จะถูกนำมาอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเกียรติที่เราจะได้เรียนรู้ประวัติเรื่องราวของบรรดาโรซูนเนี่ยมันก็มีแบบอ่างที่เราจะดำเนินชีวิตในโลกนี้นะแล้วมันจะเป็นหลักฐานที่เราได้เรียนรู้เรื่องราวของบรรดาโรซูนเหล่านี้นะรู้ว่าบรรดาโรซูนทั้งหลายเนี่ยได้นําเสนอสารของลัทธิสุภาราหัวแล้วพวกเราไม่ได้ถูกนาไปขอให้เราไม่เป็นหนึ่งในบรรดาญาติกับโรซุนถูกนำไปหลักฐานของถามว่า เราซุนท่านนี้อู๋เกียสูงส่งมากเป็นพยานเรีย helmet, พยานต่างเอกคือท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลสุลแลตประจัประชชาติของท่านถามว่าเราซุนท่านนี้นำเสนอสารขอเราหรือไัเราก็จะบอกว่านำเสนอแล้วครับอยากให้มีข้อสงสัยดูสิคกลุ่มชนของของท่านนบีเราปฏิเสธเราซุนของตัวเองแต่เราเนี่ยกับยืนยันในฐานะที่เป็นผู้สัทคาต่อท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลแลตปะจัระัยาติของท่านถามว่เราซุนทานนี้หรอไ โอเราสุดแล้ว น, น, นั่นจะเปนถามที่ความเป็นธรรมนะเราก็จะถามว่าทกท่านรู้ได้ยงไรเกิดคนละ ร, รุ่นเลยใช่รู้ได้ยางไรอันนี้เป็นคาตอบที่ที่เราเ็นก็จะขอบคุณท่านจอจารีโเราบัววเสนแล้วเราก็จ ะ, ะภูมิใจที่เราได้เรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าสุดเหล่านีพวกเราก็จะตอบคาถามที่ถูกถามว่ารู้ได้อย่างไรนะครับแต่ว่าจะอะไร นบียูน่านบีของพวกเราเนี่ยมาหาพวกเราฟ้าอัรนอันนักรุสุล่ะก็ได้บแล้วรอสูลของเราเนี่ยไม่ได้บอกนบีของเราไมด้บอกพวกเราว่า็นนดารอสุลทั้งหลายเนี่ยนำเสนอสารของพวกเขาแล้วพวกเราก็เชื่อพวกเราก็เชื่อแต่ทนนบีก็บอกว่ากระดาษอันไรเงี้ยครว่ากรดานไรเงี้ยจารณาคุมคุ้มมันเป็นวัสดุนั้นกล่าวนี้แหละเราได้ทาให้พวกเจ้าเป็นประชาชาติใสกลาง ลีตองูนูชูฮาดาอัลเลต์เพื่อที่ได้เป็นพยานกับมนุษยชาติตลอดดังนั้นภารกิจที่เราได้ศึกษาเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยของบราเราซูนเนนอกจากเราปฏิบัติตามท่านเบล่านี้แล้วเรายังได้ทำเกียรในวันเกียมาให้ไปเป็นพยานให้กับบรราเราซูทั้งหมดที่จะถูกปฏิเสธจากกลุมชนของท่านในวันเกียร์มาพวกเขาถามถาว่าอะไรฮะ การรอซูนเนี่ยไม่ได้นาเสนอสารที่มาจากอมาะคือทรยศหรือว่าไม่ยอมปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองว่ก็ละดีและก็เพรูริรุสุลิมิตซึ่งการปฏิเสธของพวกเขาในปฏิเสธสองครั้งครั้งหนึ่งในดุนยาและครั้งหนึ่งในโลกในอัลลอฮ์แล้วก็นำับที่พวกเขาปฏิเสธในดุนยาเนี่ยเราก็จะบรรพบุรุษการรอซูของพวกเขาเนี่ยด้วยคำพูดที่ท้าทายและข่มขูแลนุริจนนตุมมินอโรตินา แน่นอนพวกเราเนี่ยจะต้องขับไล่พวกท่านออกจากแผนนกนะะกน่นดินของพวกเราคือนะอ้างกรร ม, มสิทธิ์เป็นแผ่นของพวกเราท่านจะบินมาจากโซลเลยสลยัสดนดีก็โดนลักษณะนี้ใช่ไหมโอ้โนปีสุดยอดมากโดยเพาะช่วงนี้พี่น้องเออช่วงทํารดนะดูความรู้สึ ก, กยองไงอ่ะตอนที่พี่น้องเออจะไปทำฮาร์ดผมว่าความรู้สึกนี้เนี่ยน่าที่จะมีพี่น้องอาจจะไปในปีไหนก็ตามนะครับความรู้สึกที่ว่า ที่เราจะไปแผ่นดินที่ประเสิร์ตที่สุดเนี่ยกว่าที่จะได้มาไปง่ายๆแบบนี้เนี่ยจริงๆมันก็อาจจะไปดูเหมือนไปยากแบบท่านบีโซมาร์สเนลที่ดัวที่ท่านออกจากเมืองบัมการถูกคับไล่ออกจากกุมชนของท่านไปแผ่นดินที่ไม่เคยไปมาก่อนนี่นะทิ้งท่านบีไม่เคยไปมาก่อนความผู้สุดใจไงที่แผ่นดินบ้านเกิดทิ้งแบบตลอดกาลและออกไปแบบสภาพที่ต้องหลบนีไปออกจากบ้านของท่านและทนบีออกไปวันนั้นเนี่ยจากแผ่นดินที่เป็นเสริฐที่สุดในดุนยานี้ ไปสถานที่ท่านยมีไม่รู้จักตอนนั้นยังไม่มีความประเสริฐมาดีนักประเสริฐหลังจากที่ท่านยมีโซโลว์วอซ์เล่ไปอำนาจแล้วก็มีขอตัวต่อร้องให้มีความจเจริญมาดีนะก็มีความจเจริญในบีออกไปวันนั้นออกจากบ้านโดยมไม่รู้ว่าจะได้กลับหรือเปลา่าและในวันนี้เนี่ยเราก็จะออกจากบ้านของเราเองความรู้สึกเอาลักบ้านมีครอบครัวแล้วในมีออกจะใครออกจะครอบครัวพี่น้องท่านท่าน ออกไปแล้วเนี่ยก็ไปแบบไม่รู้อะไรหรือว่าจะกลับมาหรือไม่กลับมาอย่างไรสโลลล์หัวใจคำถามว่าที่ท่านระบีออกจากมักกะไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะแผ่นดินนี้ไปหาแผ่นดินที่ประเสริฐกว่าลราระเบีบอกกับกแผ่นดินเนี่ยถ้าหากว่าเอเจ้าเ น, นี่ยเป็นแผ่นดินที่เรารักมากที่สุดถ้าหากว่าภูมชนของเจ้าไม่กลับเลยฉันออกจากแผ่นดินนี้ฉันไม่มีทางออกแล้วคําถามระบีออกจากแผ่นดินนี้เนี่ยเพราะอะไร <S <S เพราะอะไร อาบวก็สินนี้ก็ออกเป็นัระขนพลผู้อื่นทาจะดีเนี่ยกังวลมากอูจะเดินไปทางนี้เดินตรงไปเอาก็ต้องเดินไปข้างหน้าอูไปข้างหลังไปข้างข้างไปแล้มีบอกอะไรแกอาบูว่าทไมทาแบบนี้บอกฉันคิดว่าว่าหู่สองสองท่านนี้นะเอาว่าว่าดยฉันคิดว่าสตวจะมาข้างหน้าไปูหน้าพอคิดว่าไอ้มีผู้กุลิศงหลังมาไปข้างหลังมาด้านขวามาไปขวาคือคิดคือเหมือนกัคนคนนั้นว่าต้องมันทอะไรไม่ถูกอะ ทำไมอาบุบักไม่ได้กลัวตัวเองว่าจะเสียชีวิตแต่ถ้าอบุบักมาสิ้นีพเราทียราอางว่าท่านกังวลว่าท่านนบีจะเป็นอะไรไปกังวลว่าัวท่านนบีจะเป็นอะไรไปและสัวท่านในบีโซเาัที่ออกสาเหตุในการออกของสองท่านนี้ผมจะยกตัว บ, าบ้านท่านอื่นด้วยนะครไม่ได้มีเหตุผลใดนอกจากเพื่อนำเอาสังห์อเรนี่ยมาถึงพวกเรานั้นในวันนี้ที่เราได้ไปไปมักกาหรือไปมาลีนาเนี่ยก็สดสมควรที่จะต้องอะไร ระลึกถึงบุญคุณของท่านนาอมาว่าอะไรก็ั่งไดเป็น บ, บุญคุณของบองรรดาสถาบันที่พวกเขาได้ เ, ออเสียสละไม่ได้มีผลอะไรออกจากบ้านทาไมเราออกจากบ้านเนี่ยเพื่ออไรได้ดอก้ใช่หฮะรู้ตัวนทีอบอกเ็เออกวันนี้อีกเดือนขึ้นสองเดือนไม่เดินกลับที่พี่ออกไปว่าไม่รู้ออกเพื่ออะไรครับเพื่อการดาวเพื่อสารของของิลเดือนมาถึงพวกเรา เพราะคามรับผิดอบของท่านานดีโมวศโซลลาวาลาโยซาเนาะว่ามิติของสถานที่เนี่ยครอบคุมทุกแผ่นดินบนโลกนี้ของเรามิติของเวลาเนี่ยครอบคุมทุกสมัยของเลานี่คือภารกิจที่ใหญ่ในดีคือก็ต้องออกพอออกเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ไม่มรูที่จะนำเอกสารขอเนี่ยทั้งวันทั้งคืนโจทย์เดียวต้องการให้สังคมโลกให้สมบสูรณโจทย์เดียวคือต้องการให้คนเนี่ยรู้จักกับพระผู้เป็นเจ้านะครับ เป็นดุเบตาละซูตก็ถูกการทําเช่นนี้อายะนี้บูราบาลเขาบอกว่าเป็นการปรอบใจเช่นอดีตซองขอ ง, องหัวอะไรสักเช่นเดียวกันส่วนพวกเราเนี่ยก็อาจจะมีส่วนหนึ่งทำหรืออะที่เราได้ได้อยู่อย่างสมบูรณ์นะครับแต่ส่วนหนึงเนี่ยที่เราจะได้รับจากอยายะลักษณะนี้ก็คือเราก็ต้องนึกถึงบรรดาคนที่เขาได้เสียสละให้แก่พวกเราในการนำเอาศาสนาของอวโลกเนี่ยไปไปส่งต่อที่เป็นคุณธรรมที่สําคัญมาก แล้วหนุ ب ب ่มริยาญนะมมีอัลบินาจะนำมาคุชาออกจากแผ่นดินของพวกเราแต่ในี่อัลลอฮฺ س ب ا ن ه และ تعالى ได้บอกใว่าแผ่นดินนั้นอัลบินายัลิซูนาอิบัลยัซซาริฮฺแผ่ดินเนียเป็นแผดินของอัลลอฮฺใช่ไหมครับเป็นดินเป็นดินของอาคเลยค่ะคำว่าของพาัแนดินของพกเราจะขัได้ออกจากแดินของพวกเรามีสองทางเลือกหรือไม่กเอาเงิดืฟีมิลละตินหรื่จะกลับสู่แนวทางศาสนาของพกเรา มีสองางก็ไม่มีทางอยู่แล้วท่านะพีซอเราจะไม่มีทางดิสหรือประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งอาจจะไม่ได้เป็นฮัดิสสองเยอนะแต่เชิงประวัติศาสตร์สามารถเาได้อบูตอนกเนี่ยก็เคยเสิรท่านะมีหยุดท้ไวได้ไหมทาอย่างอื่นได้ไหมท่านะมีก็บอกว่าถ้าหากว่าเออลุงลุงเอ๋ยลุงครับถามว่าปุรจะเอาดวทิตยาไว้ที่มือขวาเอางจะน้อยที่มือซ้าย เพื่อแรกกับการที่ฉันจะล่าทิ้งงานนี้งานนี้คือ ง, งานอะไรครับงานที่จะเอาสารของอัลลอฮ์เนี่ยไปให้แก่ผู้คนทั้งหลายให้ผู้คนรู้จักอัลลอฮ์ให้กลับต้าถูกกลับไปหาอัลลอย่างถูกต้องจะไม่หลงทาง น, นะถ้าให้ฉันทิ้งางานนี้ฉันไม่มีทางที่แม่สมมุติจเจ้าโดนที่ไม่ดีกว่าลงใจไม่หมดสักซึ่งเป็นไปไม่ได้สมมุติสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สมมตุไไมมมติก็จะเอ า, า, านนอะบรได้จริง ฉันจะไม่มีทางทิ้งเปอันขาดสองอย่างหนึ่งก็คือให้ฉันได้กลับไปหาอัลลอฮ์เราไม่ช่เชื่อฉันสองก็คือเราจะให้ความสมเร็จระสบกับฉันมีสองคางคือไม่ไม่มีปัจจัยอื่นที่ฉันจะเลือกทิ้งหรือเลือกไม่ทิ้งการงานนี้ขอรับสุภทานหัวกระไรใดฝ่าว่าอ้ายไลฮิมดังนั้น จึงวานี้แกพวกเขาเพราะภูมิพระเจ้าของพวกเขาเนี่ยแหละไว้ดีไว้ดีคือการดนใจใช่ไหมคือบอกให้บรรดารูกศิษย์เราร่วมรู้ด้วยและนุบุรีกันนาโซลิแน่นอนแน่นอนว่าเราเนี่ยจะทําลายล้านลูกิกย์อาหรอาหรักะแปลว่าทําลายล้างบรรดาผู้อธิบดีเขาไม่ได้บอกว่ากุลมาวุไม่ได้บอกว่าเราไม่และนุบุริกันนาบุนแน่นอนเราจะทําลายพวกเขา ไม่ได้บอกเลยทำไมฮนะไอ้ผู้อา่านเนี่ยคือละเอียดและนุ่นมีการนั้งสติมินจะทำจะจะจั ด, จ ด, จ ด, จดการทําลายบรรดาผู้อธรรมอุลตร้าคนั่นเอาว่าบอกเหตุผลเพื่อว่าที่อัลลอฮฺจะทําลายล้างพวกเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราจะอธรรมใครใช่ไหมครับถูกไหมฮะแต่อเนื่องจากที่พวกเขาเนี่ยเป็นผู้อธรรมต่างหาก ว่ามาซาดาคมุลลาลาเพรล้วเป็นอะไรครับว่ละกินกาอัฟซุสอุมิซลิมุนแต่เขาเขาใตัวตัวเองการทำตัวตัวเองเราก็บอกกับบรรดาเออราซูนทั้งหลายว่าแน่นอนเราจะทำลายแล้วบรรดาผู้ผู้อาธรรมเท่าะหร่นั้นจริาแล้การทำเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายการทำเนี่ยนิยมนะครับคือเราจะได้อเจ้าารเนี่ยคือการุกมิติทุกรูปแบบ อาธรรมตรงข้ามกับฮิปมาทิปไปนี่คือการนำเอาสิ่งใดใมาวางอย่างถูกที่ถูกเวลาคือยังเหมกะสม อ, สอาธรรมก็คือวางสิ่งใดยง อ, งอย่างไม่เหมาะสมยังไงฮะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ า, อ, าอะไรดีครับโทรศัพท์โทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยของในกในขอเนอีน่ยไปหยิบต่อไป ระบอกเป็นของฉันโทรศัพท์เนี่ยเป็นของคนนี้ในก่อในในขอยึดไปแก่ทำแน่คือเอาของมันไม่ด้ยึดไม่ใช่ของคุณไม่ใช่คุณมีสิทธิ์แต่คุณเนี่ยไปเอาสิทธิ์อันนี้คืออาธรรมทุกเรื่องนะอาธรรมเนี่ยบางคนบอกว่าเข้าใจว่าการละเมิดเทรัพย์สินเลือดเนื้ออย่างเดียวการตั้งพาธีต่อร้อนนี่คือการอาธรรมอย่างที่ท่านรู้มาได้บอกอินนัชชื่อกันแล้วรู้หรือไม่เอาจริงแท้จการตังวากินนี่คือการอาธรรมแล้วอาธรมยังไง าทำที่ยิ่งใหญ่จะทำยังไงอัลลอุบนอใจพระเจ้าใช่ไหมแล้วก็บอกว่าอัลลอไม่ใช่พระเี่ทําคือผิดมันไม่ถูกมันอัลลอุบนต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้มคือต้นไม้ใช่ฮะแต่คนเราบอกว่าเนี่ยไม่ใช่ต้นไม้แต่เป็นพระเจ้าอะทำไหครับอะทและทำที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเป็นกับตตลบากมากแท้ นี่ก็อะไรครับสัตว์ใช่ไหมฮะท่านานี้ด้วยกินแต่เราก็แพะเป็นพระเจ้าเปนตัวอย่างตัวต้นมันจะมันจะปรับตารางับมากการกระทำนี่คือมันจะทำให้อะไรที่มันวางไม่ถูกต้องแพะนี่ก็คือแพะนีนคือสัตว์จะบอกว่าพระเจ้าในอิสลามนี่มาเผ่าสู้กับคามกระทำเหล่า น, นี้การหลอกลวงอะไรต่างๆทั้งหมดลงความกระทคนที่อยู่อเช่นบอกว่าแพะเป็นพระเจ้าแบบมันมีมีความผิด ส, สองส่วนเนะฮะคือจะพลาดเดืดสองส่วนหนึ่งก็คือ เขาจะไม่ได้รับประโยชน์จากแพะเพราะว่าแพะเป็นพระเจ้าไปแล้จะเชื่อได้ไหมครับไม่ได้แล้วได้ประโยชน์จากคานกินที่เราสร้างมามันก็จะไม่ได้รับประโยชน์เนด็กสอนองวนเขาก็จะหันไปหาพระเจ้าที่แท้จริงอย่าไม่ถูกพราะเขาให้เยื่ออื่นเป็นพระเจ้าไปแล้วแต่คือมันมันเลยอาธรรมมันเลยเกิดปัญหากับชีวิตจะแนะนำจากใครอันรู้ว่าเอาว่าเอาต้นไม้เป็นพระเจ้าหรือเอาแพะเป็นพระเจ้าก็ัินเป็นพระเจ้าจะรับคำได้จากใครถ้าสิ่งถูกสร้างเหล่านี้ ให้คำแนะนำซึ่งมันไม่สามารถจะให้คำแนะนําได้ไดแต่และความประทับจึงเป็นความประทับที่ยิ่งใหญ่เพราะมันทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมันไปยึดติดหรือไปขอคําแนะนําจากสิ่งอื่นที่มันไม่สามารถใช้คำแนะนำได้มันก็เลยหลงเลยนะเมื่อวางผิดตําตแหน่งแล้วพิชัยท้าอะไระต่างๆเหมือนกับคนที่ปฏิเสธรลกหน้าหรือชอวาวโลกจะมีาการเปล่าถึงไหนอันถัดไปมันก็เป็นความประทับในรูปแบบ นะครับเจอกันไปไปถึงส่วนนั้นนะครับเราก็ได้สัญญาบอกว่าเราจะทาลายบรรดาผู้อาธรรมนั่นการธรรมเาต้องต้องต้องระวังเราเงบางทีก็อาจจะมีบางส่วนที่อาธรรมด้วยล่าพมนุษย์เนี่ยเราได้บอกในอินูกานสอรู้มันจะบูลลักษณะหนึ่งที่มันมีอยู่กับมนุษย์ก็คืออาธรรมแล้วก็จะบูลเป็นคนที่เขาแล้วก็ต้องพยายามจะปฏิเสธอย่างอาธรราตตัวเองหรือทําต่อคนอื่น และพยายามที่จะเพิ่มความรู้เพราะมันจ ะ, ะช่วยขจัดลักษณะที่ไม่ดีออกไปได้นะครับว่าเลนุสกี น, น, นั่นบูรัลและก็ทดแทนและแน่นอนเราจะให้พวกเจ้าท่านก็คือใครครับบรรดาราสู้เลื่นผู้ศรัทธาทั้งหลายอาศัยอยู่นุสกี น, นั่นเน่ยลุสกีนัน น, นี่ยแปลว่าอาศัยอารมณ์ก็มีบ้านทีบนแผ่ น, น, นดินอารมณ์กเออ เออคืออันแผ่นดินก็คือบนโลกนี้มีบ้านหลังจากผู้คัองที่เราเราให้พหหกวกเขาอ่านนะไปครับแท้จริงมันข้อสมกามีวรรคสวัยดังกล่าวนี้สําหรับคนที่กลัวการยืนต่อหน้าเราและกลัวการลงโทษของเราของข้าวาเลนุสกีนันบุมคาว่าลุสกีนันเนี่ยมันจะทำว่าอะไรครับสกกได้ไหมสักได้แต้ว่าคนทำนัดอาศัยก็ได้แต่จะมีความหมายหนึ่งซึ่งมันจะ มันจะให้ความหมายที่เราปุ๋ยการที่เราได้รับอาศัยอยู่บนแผ่นดินนี้เนี่ยมันต้องมีตอบโจทย์การอาศัยอยู่บนแผ่นดินนี้อาศัยอย่างไรฮะอาจได้าาความหมายกหนึ่งก็คือพระกระสายนะฮะอีกความหมายนึงก็คือการมีจิตใจที่สงบสกี้นะดีทัศกุลูลอีเลห์เพื่อพวกเจ้าจะได้สงบจิตสงบใจอยู่กับพวกเธอสตีนั้นเะนี่ยแปลว่าสงบกล้ากคือ และเราจะทาให้พวกเจ้าเนี่ยอาศัยอยู่บนแผ่นดินนี้หลังจากพวกเขาเสียชีวิตไปแล้วอย่างสงบสุขทําไมฮนะก็บรรดาคนที่อาจทำเนี่ยหายไปแล้วอันนี้คือระยะหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่จะอาศัยอยู่บนแผ่นดินนี้เนี่ยจุดประสงค์หลักของการอาศัยอยู่บนแผ่นดินนี้คืออะไรครับสแสวงหาซึ่งซึ่งความสุขด้านจิตใจไม่ใช่เพียงวัตถุเท่านั้น และนี่ก็คือสิ่งที่บรรดาราซูลเนี่ยก็ได้อยู่บนโลกนี้นลักษณะนี้นะอยู่บนโลกนี้ด้วยความสงบด้วยการมีสกีนะวะและนสกีนันนะกุมุลอัลกอแล้วก็ส่วนหนึ่งตัวฮับิซิทานบีบอกไม่มีขุมชนใดที่รวมตัวกันในบ้านของเราแล้วก็ระลึกถึงอัลล ه ะ่านอลกุรอานนอกจากอัจะบรทานอรหัน์แล้วก็สกีนะแล้วก็่าุลมาใดอีกมาก็จะแผ่ ปิดีกยอบร้องขึ้นไปอย่างชั้นฟ้านะครับว่ารุสกินันกูมอ น, นาอารุตบอมิบนบาดินจะให้พวกเจ้าเนี่ยอาศัยอยู่บนแผ่นดินอย่างสงบสุขอันนี้ท่านจะแปลให้เต็มเพราะอะไรครับเพราะรดาผู้ที่อาธรรมเนี่ยหมดแล้วไปหมดแต่ว่าอาจจะมาใหม่ในยุคถัดไปอีกเรื่องนะแต่ว่ า, าปลายเนี่ยของกษัริยนาบีแล้วเราซู่นแต่ละท่านเนี่ยที่จะเป็นกลุ่มชนของนาบีนูฮัยอะลัยอิสลามใช่หฮะหลังจากเรือ จอที for, for ่ภูเขาอยู่ดีแล ja. ้วเนี่ยก็มีความสสุขอยู่บนแนดิเอ่อนบีเอ่ออะไรครับฮดอะไรสรกุมชนอาร์ตเนี่ยหลังจากที่เราทำลายแล้วเนี่ยก็สบสุขนบีซห์กุมชนเอ่อตะมุลเนี่ยหลังจากที่เาทลายแล้วตมแล้วก็สบสุขนบีท่านต่างๆนบีรู้นบีเอ่อหลายท่านนะครับวลุสกีนนกลุ่มคอนบบ้าได้กับดั้นรานี่แปลกมากอย รีบันขอคอมอมามีสำหรับคนที่กลัวกลัวเลยฮะคอมมารมีแปลว่าคอมมาจากคาว่ากอมออมาามาอุ้งถ้ามีเข้าไปข้างหน้าทํากริยาตัวใดนะจะให้ความหมายว่าสถานที่หรือเวลาอย่างเช่นคําว่าเ อ, อาทราบแปลว่าเรียนใช่ไหมฮะมันจะเราทราบแปลว่าสถานที่เรียน หลายมากแตว่าเล่นไม่ลาบแต่ว่าสถานที่เด็นคือสนาะดังกล่าวนี้สำหรับคนที่กลัวมกมีการยืนอะไรการยืนต่อนหน้าอวโลกก็คือกลัววันที่เขาจะถูกพิพากษาต่อนหน้าอวโลกสุภ า, าราหัวจั ก, กรวออภวิและกลัวคำผูลงโทษของข้าไว้ยี่ดิเนี่ยดูนะมกมไว้ ว่าอีดเน่ยจริงๆก็จะมียาแต่เวลาอ่านนี่กคือเขาตัดยาไปยาที่แปลว่าฉันก็คือเราล็อกสุภะานขวงหัวจ้ะที่ว่าแปลตรงไหนครับเราบอกใครจะได้อยู่บนแผ่นดินนี้อย่างสงบสุขฮะหลังจากพวกเขาบรรดาเราซูและบรรดารผู้ศรัทธาใช่ไหมจะได้อยู่บนแผ่นดินอย่างสงบสุขอันนี้คือเป้าหมายชีวิตของเราอยู่บนนี้แบบสมบสุขนะแต่สําหรับใครที่จะมีแผ่นดินสงบสุขมาอยู่บนแผ่นดินนี้สงบสุขใคร คือคนที่กลัวโลกหน้าและกลัวการลงโทษของลอสุภะหันผลแต่ว่าปัจจัยที่จะทำให้สงบสุขนี่ก็คือเรื่องอะไรน้ำรึ้ถถือ Allah อลารห์ น, นี่ไม่ใช่แน่นอนบ อ, นนอกต่อวิบบอกข้อเท่าไหรและการลงโทษของลอในโลกหน้าใชีวิตที่จะสงบสุขเนี่ยอะไรบิดิคริลลาอิตตอร์มาอินมูลูพึงทราบเกิดว่าด้วยการนำรถืออลรรห์เนี่ยจะทาให้จิตใจสงบสุขใช่ไมฮะ คนที่ระลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตลระึกถึงการยืนตอหน้าอัลลอฮ์แลวการรรทต่อเราโลกนาก็บอกว่าอัลลอฮ์ตอบแทนพวกเขาเนี่ยว่าเนุสกีนันนบุลอลุตอัลมิมปาดิหว่าเราจะให้พวกเขาอาศัยอยู่บนแผ่นดินนี้แสดงว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตัลกำลังบอกกับพวกเราว่ามุสลิมเนี่ยเป็นบุคคลสองโลก ไม่เคยสอนเรานะครับว่าให้ทิ้งดุญอยามีไหมฮะให้ทิ้งดุลยามีแต่อย่าลืมดุอยามะซีบกระเมิดดุลยามประเด็นนี้เนีผมว่าเป็นประเด็นที่เราก็อเอาใจใส่เนี่ยเป็นพิเศษเพราะคนเนี่ยที่ว่าสุดโกงสองฝั่งใช่ไหมฮะที่ผมเป็นนัเสดงน่าจะเป็นครั้งที่แล้วนะเขาบอกแล้วก็หลายๆที่นะคือมันต้องมันต้องเข้าใจประเด็นนี้เพราะมันเป็นรายละเอียดอ่อนคนหลงดุลยามอันนี้คืออิสลามไม่ส่งเสริมแล้วคนทิ้งดุญอยามอิสลามก็ไม่ส่งเสริม แล้วจะอยู่ในทัดไม่ทิ้งแล้วต้องไม่หนุนด้วยใช่ไหมก็ดูสิครับละก็บอกว่าสัญญาว่าจะให้จะให้อะไรคการอยู่บนแผ่นดินนี้อาศัยอยู่กับบรรดาผู้ศรัทธาพรรดาบและเราสู้เนื่องจากพวกเขาเนี่ยกลัวในโลกหน้าแสดงว่าผู้ศรัทธาเนี่ยต้องตั้งวิสัยทัศน์สองส่วนคือหนึ่งส่วนแรกก็คือในโลกหน้าอันนี้เป็นเป้าหมาย และโลกนี้ก็คือนะก็อย่าลืมในโลกนี้ด้วยคนที่ผิดสุดโต่งสองฝั่งนะนก็คือหนึ่งคือคนหลงในโลกนี้อันนี้ก็มีอันนี้คือเป็นที่ตังณิดแน่นอหลงจนกระทั่งอาจจะถึงกับไม่ศรัทธานในโลกนะั่นผู้ศรัทาจะไม่ถึงขนาดนี้ศรัทธาแต่โลกนั้นแต่บานที่หลงนนผิดสุดโต่งฝั่งนี้ใช่ไหมอีกฝั่งนึงก็คือคนที่เอาเฉพาะโลกนั้นหรือแล้วก็เลยไต่อโลกนี้โลกนี้เป็นโลกของขาพเจ้าใครบอกนะเนีย่ยเราบอกอะไรรุสึกนั้นนะคุณเราเราก็ินบ้านนี จะให้ใครอยู่นั่นเนี่ยกลุ่มตรงนี้เนี่ยให้พวกท่านเนใี่ยพวกท่านที่ใครครับบรรดาคนดีบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลแสดงว่าโลกนี้เนี่ยเราต้องเอาจริงเอาจัเราต้องเอาใจใส่เราต้องเป็นคนที่ดูแลช่วยเหลือคนในการที่จะปรับปรุงแผ่นดินให้มีความน่าอยู่แล้วกออ็มีความสุขให้กับสาธารณชนคนทั่วไปนะครับที่างเช่นเราสุภาาการตั้งว่ า, าได้บอกไอยานะครับอินนร์ันตอกยาริทุฮาอิบาลยศวลิบุแผ่นดินนี้เนี่ย ใครจะร a บมรกย่ที่ตัวห้าใครจะรั บ, บรก ค, คือสืบทอดการดูแลการปกคองใคอีกแ่เดียร์ซอยมูลบาของห้าทีาา่เป็นคนดีแต่พระโลกนี้ผู้สาัางเป็นคนแล้วก็รับอีกหลานให่งหลักานแต่ตอนมาในอานัีมีใรู้ชื่คอรีฟจะให้มีตัวแทนคนไดเป็ น, นดีนเอัลลีคอรีฟ้าบราซูนมามีคนวิธีมีคนอันทำาเาลกกแวสัญญให้พวกเจ้าอยู่ก่อ แลยส่วนหนึงพอโลกจะจะหยยนะเน่โลกหายยนเนื่อจะอะไรครับเนื่องจากไม่มีผู้ศรัทธาโลกวิ้จะตายไหมเนี่ยถ้ายังมีผู้ศรัทธายะไม่ตายไหมใช่ไหมสุดท้ายเนี่ยเมื่อไม่มีผู้ศรัทธาต่อร้อนแล้วไม่มีคนดีแล้วจะเกิดอะไรครับโลกนี้ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะดำรงอยู่ต่อไปแสดงว่าโลกนี้เนี่ยคือเราต้องเอาใจใส่ที่เราสุภาษิตโบราได้บอกของออะไรต่างๆแต่ยังชีพต่างๆที่ ตเหลอันนี้คืออยู่ตรงกลางนะรัทางสายกลางที่บอกใน伊斯มอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาที่ได้บอกหุ้นมันข้ามระมาทีนั่นแลอจุบดาวิมุฮัมมัดใครไม่้ามซีนั้นปรละดับขดาวิดมุอัลลัดอัลลอฮ์ที่พระองค์เนี่ยให้นำมันออกมาเพื่อบวงเปบ่าของพระองค์เรียบาดีว่าไปบาดมีนริสิและริสติปัจจะยชีพ อาหารการกินต่าาๆที yeah. ่ดีไบบันมิณฑ so, ิสกุลจงเราเบอร์มหาบัดฟังให้นีฮียความนีเหล่านี้ซนัทัลลอฮและไปบันมิณฑิสฮิยสิ่งเหล่านี้นลิลลาดีนอามานุสัรับใครครับบรรดาผู้ศรัทธานสดงผู้ศรัทธาจะมีสิทธิ์ในการที่เขไม่ได้หมายถึงว่าเราไปเห็นของอยู่กับเรื่ออนแล้วบอกอันนี้เป็นของเราอาหลกานกุหไม่ใช่แต่กําลังจะบอกว่าผู้ศรัทธาจะมีสิทธิ์ในการใช้ของดี ประดับของดีในขณะเดียวกันเนี่ยคือไอ้ฟุกงเฟ้นี่คืออีกแบบนึ่งนะครับไม่ถูกต้องแ น, น่นอนแต่การที่เราจะบอกว่าละทิ้งมันไม่ เ, เ, เมกี่ยวข้องกับเราชีวิตของเราชีวิตโลกนม่ใช่ครับถูกต้องชีวิตโลกแม่แล้วก็โลกนี้ด้วยว่าอินนะอารลวอาฮิรัสตะวันอุระรอซาดะบราอุาดะอัลลอฮเนายอัลอาอินะแล้วก็ไมจบกันโลกแมะวลูนะนั่นคือโลกนี้เช่นกัน นั่นแสดงว่าอโลสปาโมต้าลินลดีนาอามาลนกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้สําหรับบรรดาผู้ศรัทธาเมื่อไหร่เขาเอาล็อในโลกหน้าหรือเปล่าฟิลไฮอาดิตุยาในโลกนี้แต่โลกหน้าล่ะครับข้อดีสัตยาเบื้องตมัส่วนโลกหน้าความดีต่างๆเนี่ยเฉพาะผู้ศรัทธากล่าวคือโลกนี้ที่มีความดีเนี่ยอโลให้ความดีต่างๆซีนาตัลโลเครืองปะดับความสวยงามต่างๆเนี่ยแล้วก็อไปยีบ้านที่มี้าริศกิ เพื่อผู้ศรัทธาแต่คนอื่นของราไม่ได้ห้ามให้ดุสกีด้วยให้ปริเ จ, จิงชีพด้วยใช่หมครับหรือนี้นะครับฟิลน้กอิษไปพราอยนี้มับอกขอริษวน้ตว่าเฉพาะอริษตะวันย์จะหมายเฉพาะผู้ศรัทธาในโลกหน้าเยาวันเกียมแสดงว่าในโลกนี้เนี่ยที่เาให้อันเนื่องจากผู้ศรัทธาแต่ไม่ใช่เฉพาะผู้ศรัทธาสงนายะนี้ก็จะมาตอเกิดบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะด้วยพระนามของ a ผู้ทรง เมตตาในโลกนี้โดยทั่วไปและจะเมตตาในโลกหน้าเฉพาะผู้ศรัทธาและปฏิบัติามสักของแสดงว่าผู้ศรัทธาในสองโลกป้าหม่คุยโลกหน้าที่เราบอกว่าเวลานี้ฟีมาแต่เรารอบุญจาเราลาจนจงสวัสดิ์าในสิ่งที่เราให้มาเพื่อโลกหน้าอาจารยาาใช่ไขณะเดียวกันเวลาท่านสันั้นีบักระมินทด์ดุจญาติอย่าลืมส่วนของท่านในโลกนี้ดังนั้นคนที่ ดิมันข้อฟวามมากมีดูนะได้ใ น, น, นการได้ในการนั้นคือการได้อาศัยอยู่บนแผ่นดินอย่างสงบสุขเนี่ยเป็นการตอบแทนสําหรับคนที่กลัวในโลกหน้าคนที่กลัวเราก็จะตอบแทนให้เช่นกันดิมันข้อความมากมีว่าข้อความอะไรสำหรับคนที่กลัวเราก็หรือกลัวในการยืนอยู่ต่อนหน้าพระองค์เนี่ยได้รับการตอบแทนทั้งสองส่วนส่วนหนึ่งก็คืออยู่บนแผนดินที่อย่างสงบสุขใช่ไหมฮะแต่สอง ล้วในสุราอนนาจิอาใน่ตอนที้ถึงไหนนะครับแล้วบอกว่าว่าแม้นั้นข้าวมากามระบิส่วนคนที่เขากลัวการยืนต่อหน้าพระเจ้าของเขาอะนะว่ามันมันข้าวมากามระบิว่านฮัน้สตะอินฮาวาฮัมตัวเองออกจากอารูฟัยต์ฝ่านันจะได้ทียเอาแน่นอนสวรรค์เนี่ยจะเป็นที่พันักสาหรับเขา ว่ามั น, มนข้อความัตอมานเราพีคกลัวในการยึนต่อหน้า a l ะ a h แสดงว่าการกลัวต่อหน้า Allah เนี่ยจ ะ, ร, ออนนลละรับสองประการประโยชน์ทั้งในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้าและนี่คือแนวทางของบรรดาผู้สัญญาเนี่ยเป็นผู้คนสองโลกที่รับคามผลประโยน์สองโลกอันนี้ Allah s u b h a n a ในอายะห์ต่างๆยะๆมากมายฮนะมีความสชคสุขในโลกนี้แล้วก็ในรับการตอบแทนในโลกหน้าอย่างอายะอีกอยะหนึ่งที่ Allah ได้บอก s ุ b h a n a h u w i เราจะได้ปรับวิสัยทัศน์แต่บอกว่าเป็นประเด็นที่สําคัญมามุสลิมเนี่ยที่เอะไรนะอาจจะเป็นสาเหตุที่ตกต่ำในโลกนี้เนี่ยมุสลิมไม่สนใจทั้งสองโลกเลยโลกหานี่ก็ไม่สนใจโลกนี้ก็ไม่สนใจทั้งที่เราเนี่ยต้องสนใจทั้งสองโลกเลยโลกหน้าก่อนและโลกนี้เนี่ยทีหลังเงานัที่โลกหน้ามาทีหลังนะแต่โลกหน้าใครรู้อัิบาลดีแล้วก็เสริมก่อนะครับ ข้าวุาเราได้ปั๊บผสื่อเรียบร้อยได้มีความสุขสมดลนะมันมีนาส่ำสิ่มินเดริเลอาวุธใคก็ตามปฏิบัติการงานที่ดีมินเะอริเลอาวุธจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงจะได้รัอะไรเขาบหกวัวหัวมินุนโดยมีเงื่อนไขวัววมุกมินุนปฏิบัติการงานที่ดีในสภาพวหัววัวุฮวหวเขาเนยเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อ แต่เงื่อนไขการปฏิบัติเงานที่ดีไม่ได้ปฏิบัติเฉยๆนะเพราะบางคนบอกวฉันทำความดีมาเยอะทำไมยังไม่มีความสุขก็ติดอ่าคุณไม่มีศรัทธาหรือเปล่าศรัทธาไม่จริงรหรือเปล่าว้าวมุกมีนี่จะเกิดอะไรขึ้นฟาแลนวินัูฮหยาตนตอยบเราแน่นอนเราจะให้เขามีชีวิตในดุญญานนี้ฮหยะตนตอยบาชีวิตที่ดีอันี้ไหยาตยานอยหนึ่ง น, นะฮบในโลกไหนครับในโลกนี้วลิซียนาหู อ้ยูโรปมิอัศนิมาการยญอาหลุดและจะตอบแทนในโลกหนะ้าสิ่งที่พวกเขาได้กระทำเนี่ยตอบแทนอย่างดีเยี่ยมดีงามที่สุดแสดงว่าโลกนี้เนี่ยคือเพื่าให้สำหรับผู้สัทธานุสินเพราะฉะนั้นอยากจะให้นำเสน อ, อ, อข้อมูลลักษณะนี้นี่ให้ให้เยอะให้เข้าใจว่าเ อ, อจริงๆแล้วมันไม่ใช่มุสลิมไม่ได้ผึกสอนใ ห, ให้ทิ้งโลกนี้นะ ใครบอกให้ทิ้งโลกทิ้งโลกนี้นี่คือใครถ้าใครจะดูแลโลกนี้มุสิมต้องเป็นคนดูแลแล้วต้องปรับปรุงต้องสร้างสรรค์ความพยาามให้โลกนี้เนี่ยอย่างดีงามที่สุดเพราะเราเป็นเป็นผู้ที่ตระหนักว่าตัวเองเนี่เกิดขึ้นจากโลกนี้มีใครตระหนักว่าตัาตเองเกิดนะจากดิกนไหมมุสิมตระหนักอสุบะฮานบอกว่าวนิสโรบุญว่าเชื่อกุณณัฏฐ์อัลลอฮฺตอนนสร้างพวกเจ้ามาจากแผ่นดินมีนัทธัลลอฮ วัสต้ามาโลคุงฟีห์และแต่ตั้งหรือให้พวกนัก้นบริหารสร้างสรรค์ความิีงานให้เกิดขึ้นบนแผ่ดินวัสต้ามาโลคุงฟีห์แล้วเราบอกก่อวิธีการที่จะสร้างสรรค์ความมีงานในแผ่นดนี่คือผมต่อยอดได้นะจากอายะที่มีความเกี่ยวข้องกันแต่ว่าเราตระหนักว่าเรามาจากดินและมาอยู่บนดินเนี่ยสร้างสรรค์ความมีงอันนี้ก็ตามที่สาบ้า สร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินให้คนได้รับประโยชน์เรานี่คือหน้าที่ภารกิจของผู้สลบิมที่ประหานว่าเขาเนี่ยมาจากดินเพราะดินเนี่ยให้ประโยชน์กับคนทั่วไปใช่ไหมวัสต้ามาลงเพยียเพราะร้อนเนี่ยได้แต่งตั้งพวกเจ้าเนี่ยมีวินิจมีใครเขาเขาเชื่อแบบนี้ว่ามาจากดินเนี่ยมีคนเชื่อแบบนี้เนาะแล้วสก็คือเชื่อว่าถูกแต่งตั้งจะเอาล้อให้ดูแลบริหารสร้างสารรค์ความดีงามให้เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดิน สามนี้เป็นปันจจัยที่จะช่วยให้เราในชีวิตพัฒนาตลอดหลังจากที่เรากระทในหน้าที่เรียนนะการบูรณะสร้างสรรค์ความดีไปเกิ่มบนแผ่นดิน เ, น, เนี่ยต้องคู่กับสิ่งนี้ first tarsiruhu s u m a t u b u อะไรดังนั้นพวกเจ้าจงอิสติกฟขอให้ตอบรับและกลับคูไปหาว่ากล่าวคือพวกท่านจงจงสำนึกเสมอว่นีตนเองทำนั้นดยดีไม่พอดีกว่านี้ได้ ไ, ดไหม นี่คือเขาเรียกอะไรนะวิสัยหรือว่าวิธีการปฏิบัติของนักบริหารหรือคนที่เป็นนักพัฒนาคือทำในสิ่งนี้ได้ดีแล้วดีได้อีกไหมสามารถจะเปลี่ยนแปลงสามารถที่จะให้ประโยชน์กับผู้คนได้มากกว่านี้อีกไห ม, มก็ต้องคิดนะเพราะบางทีเวลาไม่พอใช่ไหมครับเวลาที่เราจะอยู่บนยุ่งางานงานมีแต่เยอะขึ้นไม่มีน้อยลงใช่ไหม อันนี้คือภารกิจที่เราจะต้องเข้าใจมที่มันถูกต้องนะการดูแลการบริหารการเอาใจใส่กับสังคมกับต้นนี้เป็นหน้าที่ของมุสลิมโดยตรงต้องสร้างสรรค์ความดีงามให้เกิดขึ้นบนหน้าผินนะครับดังนั้นการข้าวสำนักวิว่าข้าวรยวัตัดสั่ว่าข้าุลจับบารินงานเดมีว่ ويسقى من ماء صديد يتجره ولا يكاد يسيره ويأتيه موت من كل ما كانه وما هو بموت ومن وراه عذاب غليظ واستطع อิสติกซเยีชนะดัวอิสติกซาเนี่ยแหละครับนี่คือคำคเดียวกันมาจากคำอิสตินซ่าแต่ว่าขออิสติกซ่าดูสระนะครับแปลว่าขอฟัตาแปลว่าแปลว่าเปิดแปลว่ามิชิคือแปลว่าใช้ฉนะก็ได้แต่ทีนี้แปลว่าวัศจรุณและบรรดาซูกิเนขอให้ที่ักใชชนะเวลาเรได้ง่ายขึ้นนะครับอสิกซ่าเนี่ยให้ความหมายว่าขอขอฟ้รอแปลว่าให้อภัยอิสตารุฟ้าอแปลว่า แปล่าอะแปลว่าขออภัยอาจจะได้ยัเกอร์เข้าใจคําศัพท์เป็นตัวเลยครับวัตถุจากุมาดาเราพูดเนี่ยแต่ขอขอให้ทรับำชัยชนะว่าขอบ่ะและขอให้กุลุจับบารอันนี้ทุกกุลุแล้ว่าทุกจับบาร์แต่ว่าผู้ที่ยิ่งพยองอันนี้อันี้แปลว่าผู้ที่ดิบดึงทุกคนประสบความพินาศก็คือขอบ่ะแปลว่าพินาศ กุนนะลุทุกจบบาดเจบาดจริงกันตาว่าอะไะเพราะว่าผู้บังคับคนที่จบบาดเป็นานางสาวร้อนเนี่ยนะอันจบบาดสาวร้อนนานงสาวร้อนในสูงส่งสวยงามแต่นี้มนุษย์ที่ยิงพยองคนที่เอ่อเป็นคนที่ใหญ่หรือเป็นคนที่อุลมะเขาให้ความหมายอย่างเช่นเซ็งเอ่ออบูบาคาเซียดีนะครับเาบอกว่าจบบาดเนี่ยก็คือเอ่อคนที่ ยูจิบิรุอลาวัยีคือคนที่บังคับคนอื่นให้ทำตามสิ่งที่ตนเองปรารถนาใครอะครับก็งี้ไะบรรดาผู้มีศิลสันตพัน ธ, ธ, ธ, ธ, ธ, ธคือในทุกกรณีตัวตัวกรณีตั ว, ต ว, ตวยอย่างที่เกิดขึ้นที่เราได้เล่าบังคับบรรดาราูลนุบริจนาภุมมินอัลดินาเอาละตะอุนนฟีมินละดินาจะจะไล่ออกมาจากอผ่นนี้หรือไม่นกลับวคมีทางเลืองทั้งสงทางนี้คือบังคับอะ คือถ้าอยู่ต่อเราต้องต้องเชื่อแต่ในทางอิสลามไม่มีแบบนี้นะแม้ว่าคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของมุสลิมหรือยังไงก็ตามห้ามบังคับละในครัวิตีคืออิสลามไม่ได้บอกว่าห้ามน ะ, ะไม่ได้บอกว่าห้ามบังคับกันนับือศาสนานละนี่แต่ว่าไม่คําว่าไม่เนี่ยมันให้ความหมายที่หนักแน่นกว่าคำว่าห้ามบอกไม่มีการบังคับฟิตรีในศาสนา แต่ว่าถ้าศาสนา伊斯兰เนี่ยนะที่ถูกต้องเนี่ยไม่มีการบังคับถ้าคนที่บังคับมัสนาไม่ใช่อันนี้คือความหมายเว่าลาลาดาเบียลัสลินจินสคือปฏิเสธทุกทุกทุกกรณีของอิคลาร์ของการบังคับจะเป็นบังคับใครก็ตามไม่มีการบังคับกันในศาสนาเหมือนกับว่าฟาแมนฟโรโตฟีนัฮัจจ์ใครก็ตามที่บางอย่างหาเกิดขึ้นกับเขาแล้วเนี่ยฟาลารรซาจากไม่มีการไม่มีการ เ, ออเราก็มารถบว่าลามาุกอนาจารว่ลาลามกสู้ความมีการฝ่าฝืนว่ล่าจีด่าแลไม่มีการโต้เถียงฟิลหัจญ์ในการทำฮัจญ์เราไม่ไบอกห้ามแต่ที่ห้ามนะแต่เราไม่ได้บอกห้ามบอกว่าไม่มีอาในหัจญ์เนี่ยถ้าบอกว่าอาคุณมีการเ อ, อลามกอนาจารย์มีการฝ่าฝืนมีการโต้เถียงเนี่ยป้าหนึ่ว่าไม่ได้เป็นฮัจญ์เลยสําหรับคำคําว่าลาอุลามะเขาบอกว่ามันมันให้ความหมายที่ลึกซึ้ง ลึกซึ้งว่าคำสั่งใช้ในบางครั้งนะครับบรรดาผู้ที่ทุกคนที่บังคับปูเข็นคนอื่นให้ปฏิบัติซิ่งหนึ่งสิ่งใดอันนี้คือไม่ใช่ในหลักการศลป์สองประการดูนะจะต้อกับอันนี้ลักษณะที่ดื้อดึงเขาเป็นคนที่ดื้อดึงจะทนบบายเนบังคับคนอื่นลักษณะนี้เนี่ยวุฒิมาบางังท่านเนี่ยเขาบอกว่าใครที่ปฏิบัติกับคนอื่นเนี่ยด้วยกับลักษณะไหนแต่เราก็จะปฏิบัติกับเขาเนด้วยกับลักษณะนั้น เพราะอันนี้คือคุณ เ, เป็นผู้ที่จะบ้าก็คือชอบบังคับชอบขู่เข็นคนอื่นเนี่ยเราสุภการภัวตาเก็จะปฏิบัติกับเขาเนี่ยในลักษณะนั้นนะแต่ห้คนก็คือปฏิบัติด้วยต่อความอนุ่มอ่วนแบบว่าเมตตาเราฟีลเป็นดูแลเราก็จะปฏิบัติกับเขาเนี่ยเช่นเดียวกันขณะที่สอ ง, สสองลักษณะก็เป็นลักษณะของเราสุภการภัวตา อันีก็แปลว่าฟูดดครับมีวรรยีเบื้องหลังคําวร่อเบื้องหลังมีวรรยีเนี่ยเบื้องหลังก็คือให้ควาหมายทั้งหลังและก็หน้าไม่ใช่หมายถึงว่าเบื้องหลังนี่คือในอดีตนะหมายถึงว่าในอนาคตมีวรรยีจน้ำเบื้องหลังของพวกเขาจะมีนรกเจ้าน้ำยุสกอบมิมมาอินสดและจะถูกกอกน้ำมิมมะถูกให้น้ายุสกอจากว่าสกอยงยุสกอถูกให้น้ามิน น้ำอะไรกันจากน้ำโซดีโซดีแปลว่าน้ำหนองของชาวตะลุกทาไมถูกกองน้ำนะถูกบังคับเนี่ยนั่นเอพวกเขาเนีบังคับคนอื่นอันเจสนามินจินซินลอามันการตอบแทนตามพฤติกรรมที่ได้กระทำทำอย่างไงก็จะรับอย่างนั้นที่เกิว่าสุบานลูจะจะไม่ทำนะเนื่องจากพวกเขาบังคับคนอื่นให้ทําสิ่งนั้นพวกเขาก็จะถูกบังคับเช่นกันแหละให้หยุดน้ำ คือมันมันไม่ดื่มก็ไม่ได้เพราะคึอมันกระหายใช่ฮะแต่พอดื่มไปแล้วเนี่ยเออมันก็ไม่ได้เอกันเดี๋ยวจะดูนะครับรถใก่อยแต่เจร่บโดยที่เขาจะไายังจิตพยายามที่จะดื่มวะลัยาการดื่มซีบไม่อาจที่จะเกินได้ดื่มซีบูนี่คือการเกินไปยาการเกือบจะเกืนไม่ได้เคยดื่มน้าร้อนใเอาแค่น้ำร้อนไม่ใช่น้ำเดือดน้าเลือดน้ำหนองนะ น้ำร้อนเนี่ยมันร้อนเกินสักนิดถึงให้เย็นสักหน่อยเลยนี่นี่คือนา้นาน้ําเดือดแล้วก็น้ําหนองที่มันมีกลื่นปรินเบนด้วยเขาจะไม่ดื่มก็ไม่ได้เพราว่าไปกินต้นหนามไปแล้วหรือว่าเออในสภา พ, พความกระหายที่สูงสุดใช่ไหมก็จะเป็นต้องดื่มแต่ดื่มก็ดื่มไม่ได้ในสภา พ, พที่มันกระ อ, อื่นรกระอมที่สุดนะครับคือกลืนไม่เข้าหายไม่ออกประมาณนี้นะครังจะเจอเรื่องหัวอะไรยักจะดูซิบ เกือบที่จะเกิดไม่ได้วายตีหินมะมุตและความตายเนี่ยได้มาหาเขาก็คือจะเปิดอันนี้จะมินคุลิมาการอความตายมาในทุกทิศทุกทางกล่าวคือปัจจัยโดยมากอธิบายว่าปัจจัยที่จะนํานสู่ความตายเนี่ยมาทุกที่อเไปถึงว่าถ้ า, ญญ า, านในลุมยาเนี่ยเสียชีตแล้วใช่ไหมครับ ปัจจัยที่จะตายเนี่ยมาทุกทิศมินกุลิมาการนี่คือมาทุกทิศอ่ะซึ่งคือคนเนี่ยจะตายคือมีเขาตายแค่อย่างเดียวใช่ไหมฮตายคือตายอย่างเดียวคือรจะจะอะไรตายไฟไหม้ใครไฟไหม้มก็ตกตกเหวด้วยถูกแทงด้วยคือมันมันทุกทุกอย่างระยะดีหินเม้าดุมมินกุลิมาแปลความตายมาทุกทุกทางมาทุกทาง หัวหน้าหัวบีไปยีแต่เราบอก่เขาก็ไม่ตายคือไม่ไม่มีการตายแล้วที่ท่านดิบิโซเราสอนได้บอก น, นะครับว่าเมื่อวันเตียงมันความตายถูกเชื่อคือความตายจะถูกนำมาเหมือนกับแกะถ้าถูกเชื่อคือ ค, อความตายจะตายไปแล้วก็ไม่มีการตายอีกแล้ววัวมาหูวปีไปยีโดยที่เขาถึงไปตาย แ, แต่ยังไม่จบนะครับหัวมีหัวรออีและเบื้องหลัง ก็คือหลังจากนั้นอีกเนี่ยก็จะมีอาริยนลิสมีการลงโทื่อีลิสตี้แปลว่ายาดวลิสตี่แปลว่าดุริและเราให้ความหมายใครคำบรรดาผู้ปฏิสสทัทธาซึ่งอายันนี้แน่นอนนะครับผู้ปริสัทธานี่เขาอ่านไหไม่น่าจะอ่านนะจัน้แล้เาจะใครอ่านนะบรรดาผู้สรัทธาเนี่ยนะดังนั้นเราเนี่ยก็ต้องหลังจากเออระวัง ไม่ปฏิบัติตามลักษณะที่เราได้กล่าวเอาไว้นะกุลูจับบับงการบังคับในการยิงจองหองและอาีิก็คือเป็นผู้ที่ดื้อด้านความหมายนะอแต่ผู้แวปว่าไอนาดไนัดกรรู้แะไนะอะไนะ้อไนะอนะคือดือด้านอย่างมากในความหมายของว่าอาณินนะครับนอกสางานวุฒิอภาต่อไปนะครับี่ส8บป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 คือแปลว like ่าต ah ัวอย่างหรือ hmm. ว่าอุปมาแล้วครับชัดได้ยังประมาณนี้อุปมาอัลแรกดีเนี่ยบรรดาอุจิกาบาลูปฏิเสธบีรบีิมปฏิเสธพระเจ้าของพวกเขาปฏิเสธพระเจ้าของพวกเขาแล้วก็ปฏิเสธปฏิเสธโลกหน้าใช่ไหมคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ก็คือปฏิเสธโลกหน้าหรือคนที่ปฏิเสธโลหน้าก็เท่ากับคนที่ปฏิเสธลอสอัลมาฮานะรัวก็อุปมาคนที่ปฏิเสธ อัลลอฮ์สุบาานหัวใจพระเจ้าของพวกเขาเนี่ยละมาูการงานของพวกเขาเนี่ยคือปฏิเสธอัลลอ์หรือปฏิเสธว่าชีวิตคือปฏิเสธอัลคือปฏิเสธตัวเองหมายความว่าการริมัลลอฮเนี่ยทัศนะของาสลาก็คือการิมตัวเองลาตะกนัลลดีนะนะสุลลาะฟอันซาฮุมอัฟุซะห์จะได้กลายเป็นผู้ที่ไหนจะได้เป็นเหมือนกับกันลดีนะเหมือนกับบรรดาผู้ที่นะสุลลาิล ฟังซาบุมอภูษากุบแล้วเราจะทําให้เขาลืมตัวเองอุลัยนี่ก ค, คนเหล่านูมิมุ่ฟาสิกุลคือคนที่เป็นคนชั่วแสดงว่าการลืมมันล้อตั้งใจลืมเพราะนั้นเป็นคนชั่วเป็นความผิดยังเคยมีคนโทรมาถามในรายการเราถามว่านั่งสมาธิเนี่ได้ไหมสมาธิพิยาที่บอกว่าทำทใจให้ว่างเปล่านะครับเป็นบาปใหญ่เป็นเป็นฟิสเพราะาตั้งใจลืมมันล้อไม่นึกถึงอะไรัสิเลยบาปนะครับบาปนะ แื่เป็นบาปใหญ่เลยเพราะเราอุไรกัมูลฟาสิกุลอได้เป็นคนที่เหมืกับคนที่ลืมาร้อแล้วก๊อ๊อลังลืมาอเนี่ยลังลืมไม่ลืมือะไรตื่นเลยเป็นไปได้เราอุไรกัมูลฟาสิกุลนั่นคนเหล่านี้คนที่ลืมมาร้อเนี่ยโดยพาะถ้าตั้งใจลืมนะเป็นคนชั่วกล่าวคือเราใช้คาว่าอยากได้เหมือนกับบดาที่ลืมารแล้วเราจะให้พวกเขาได้ลืมตัวเอง แล้แรดงวา่าเร่าคนที่ปฏิสเสธอัลลอฮ์เนี่ยคือปฏิเสธตัวเองปฏิเสธการให้พื้นคืนชีพเนี่ยก็คือปฏิเสธตัวเองเหมือนกับบรรดาผู้ปฏิสสเสธศรัทธาเนี่ยได้อัลลอฮ์ได้กล่าวถึงพวกเขานในสครบพระเ ย, ยร์ไว้อืูลอินซานมนุษย์จะกล่าวไอดามามิตุกสัสเอาไปุจฮัยะเมื่อฉันตายไปแล้วเนะี่ยแล้วฉันจะถูกให้พื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งนึงหรืออาวอกเอ า, างงอออูลอินซนมนุษย์ที่ถามแบบนี้เขาจำไม่ได้หรือ อันนาา่าปรารถนาขอมก็รู้แล้วเนี่ยผมใช้แว่าเราเนสร้างเข้ามาต่อนนั้นนี้โดยที่เขาไม่เป็นอะไรมาก่อนเลยคืออะยะแต่ระยะที่คือแ บ, บว่ามันต้องคิดเผลอจริงเ้ยคือคนที่บอกว่าเขาใช้มือคืนชีพขึ้นมาได้หรืออ้าวและที่คุณมีอยู่แล้วไม่ใช่คุณหรือมันก็คือถามแบบ น, นี้นะเออที่เราไม่อยู่หรือใช่เหรอแล้วฉันมีอยู่แล้วเนี่ยนี่คืออุลมะเมื่อกบอตัวเราเองเลยแหละเป็นหลักฐานชิ้นดีที่เราใช้มือคืนชีพขึ้นมาได้ ถ้าคุไม่มีเนี่ยคุณอาจจะบอกได้ว่าเออเราไม่ให้ตื่นฟื้นเงินขึ้นมาแล้วแล้วทําไมเออเราจักไม่ให้ฟื้นเงินชีพขึ้นมาเนี่ยเมื่อยังมีมีมาแล้วเนี่ยมีไหมครับมีในนั้นคนที่ลืมวันรอดก็ลืมตัวเองคนที่ปฏิเสธต่อรอดสุภาษิตหัวอะไรก็คือใครครับคือปฏิเสธตัวเองไม่หนีเนี่ยฮะก็ลืมตัวเองปฏิเสธโลกหน้าหรืออีกมุมหนึ่งก็คือการที่เขาเนี่ยมองว่า ชีวิตนี so ้เนี่ยันไม่มีไม่มีกหน้าคือไม่มีเป้าหมายอัลลอฮ์สร้างมาแบบเล่นเล่นๆนะัอัซิบะตุลมอเลาะห์อันนามะควละกันาบุงอับะตะว่าอันนามุมอิเลนาละตุรละาิอันนมควละกนอาุว่าเราสรางพวกเจ้าหมายอันนี้สาคัญมากมันมันสร้างแรงบันดาลใจแลทให้เรารู้ว่าตัวเองเนี่ยมันมีค่าคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์เนี่ยก็คือปฏิเสธคุณค่าของตนเอง บริสเณรโลกหน้าเนี่ยบริสเณรว่าชีวิตนี้ไม่มีความหมายแล้วเราบอกว่าประพสิตุนุวกจิตตุอันนมาผลักนาคตอาบตัตตว่าเราสร้างพวกเจ้ามาอย่างไม่มีเป้าหมายว่าอนุกและพวกเจ้านั้นในอนาคตจะจะไม่กลับไปหาเราแสดงว่าคนที่เขาเห็นว่าโลกนี้หรือการที่สาาร้างหอหล่อเนี่ยอย่างไรสาร่ายคือเขาไม่ก็คือคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตไม่ไม่กลับไปหาว่า เป้าหยเราก็คือ l o s บัพาร์หัวแต่นี่คือเป้าหมาย่นมนั่นแสดงว่าเข้าใจกลับกันคนที่จะเห็นคุณค่าของตัวเองเนี่ยคือใครทั่มากที่สุดคือคนที่ศรัทธาต่อแล้วศรัทธาว่าตัวเองจะกลับไปหาอ์พอเราบอกในอายะสักครู่นี้นะอจจะพี่น้องด้วยอายะมุฮัมมัเพราะบางทีมันจะได้รู้ว่าอายะที่ดีมากนะครับ อ้าว حاسب ตัวแต่ว่าอ้าว حاسب ตัเนี่ยเพราะฉนั้นอิดว่าอันนัมาปลุกเราคุณม่บบว่าเราสัมผัสเจ้ามันเนี่แบบเล่นๆช่างแบบเล่นแต่ว่าไรสาราสมองเนี่ว่าาุณมเลยนารักเราเจ้าวาพกเจาจะไม่กลับไปหาไปหาพวกเราไปไปหาไปหาเราเพออาสุขอาามาทนแสดงว่าคนใช้ชีวิตแบบเล่นๆตลอดเวลา หรืว่าไี่มีเป้าหมายในชีวิตก็คือคนที่มี ร, รู้ว่าเองจะกลับไปหาลอสปักกันคนที่รู้ว่าตนเองจะกลับไปหาลอสเนี่ยคือคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าใช้ชีวิตอย่างมีความหมายนะคะะ ร, ะนนะะ ร, รับลอสุบาฮาหัวใจได้บอกมันจลุลณาใจในกาลตวรรบีรบีอุปการะบรรดาผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้าของพวกเขาอามาลุมการงานของพวกเขาเนี่ยจะรอมัเหมือนกับอะไรครับขี้เท่ารอมาัสแปลว่าขี้เท่า เราเปรียบเทียบให้เราเห็นภาพแต่เราเป็ียบเได้เห็นชัดที่สุดเหมือนกับขี้เท่าดูการงานของผู้ปฏนะิเสธนะฮะเหมือนกับขี้เท่าทำไมฮนะอิสตันด์เบียร์เรียกฟิเยอร์มิอาสโดยลงเรียกที่เตาลงปกติขี้เถ้าเนี่ยเอาไปลงเตาเนี่ยไปไหมฮนะไปนะแต่เราว่าการงานของพวกเขาดีกว่าแล้วจงก็คือเปรียบเสมือนขี้เท่าที่ลงพัดอยา่างอิสตันด์บีอย่างแรง โอ้โหคือลธรรมดาเนี่ยก็พัดดิวเลยใช่ไหมครับพี่เท่าแต่ลมอย่างแรงแล้วอะไรต่อครับฟีเยาว์มีนาสิในวันที่มีพายุกลางคไม่ต้องไม่ต้องหวังว่าจะเหลืออะไรกลางคืกลางงานงไม่ต้องหวังว่าจะเหลืออะไรและอยากจะเรีรู้ว น, นแต่วพวกเขาเยังไม่สามารถได้เรียนรู้นะมิมมากระบุอะไรชจากสิ่งที่พวกเขาได้ควนควายเอาไว้เนี่ยสิ่งใด ไม่สามารถจะให้คุณให้กับประโยชน์กับเขาได้เลยกุลมาเขาบอกว่าทั้งสิ่งที่เป็นความดีในโลกหน้านะไม่ได้รับประโยชน์ได้เลยจะเป็นการสัมพันธ์เคือยะการดูแต่อพ่อแม่บริจาคให้เคนยากจนจะเป็นความดีที่เคยช่วยเหลือคนเนะี่ะเอาจะตอบแทนให้จะตอบแทนในโลกนี้เท่านั้นแต่ในโลกหน้าเนี่ยถ้รามาดินอิสตัดสตีเรลี่อุฟิโยมินาซิจะสูญไปเนื่องจากอะไรนะ เรายุติธรรมนะว่าไม่ได้อรทมกับพวกเขานี่จะเอาเไม่ไศรัทธาต่อเราไม่ศรัทธาต่อโลกนลั่นเราให้ไหมก็ยุติธําคือเมื่อเขาไม่ศรัทธาแล้วจะให้ได้อย่างไรงนะนี่คือเสรีภาพอยแกุ่ณไม่ศรัทธาว่ามี ม, มีโลกนะล่ะมันก็ไม่ให้ในสิ่งที่เป็นโลกนะัใช่แล้วก็เห็นว่าการที่เราสร้างพวกเขามาเนี่ยคือเล่นป่าประโยชน์ปฏิเสธต่อพระเจ้าบีร็อบีฮิมนรอกเนี่ยแปลว่าอะไร ผู้อภิบาลผู้จัดการผู้เห็นว่ามันเป็นสิ่งของเล่นหรือว่าเป็นสิ่งที่มั น, มนไร้ประโยชน์ดังนั้นในการตอบแทนนีก็เหมือนกันนำมาดูการการทำของพวกเขาพวกเขาก็เห็นว่าการการะทำของทิศาพวกเขามาเห็นว่าไร้าสาระไม่มีคุณค่าการการะทำของพวกเขาในเมื่อพวกเขาอยู่บนพื้นฐานความเชื่อแบบนี้เนี่ยถูกตอบแทนตามความเชื่อที่พวกเขามีถูกตอบแทนตามการปฏิบัติของพวกเขา เอาคุณเห็นว่าเลาสร้างมาแบบไม่มีคุณค่างานของผู้คุณในวันเกมันก็จะไม่มีคุณค่าเหมือนกับอะไรครับก็เรามาดินเหมือนกับอะไรครั บ, รบรที่เท่าที่ลมพัดอย่างแรงในวันที่มีพายุกระหน่ำนะครับเราอย่าไปดีรูน้นั่นมายควก็บสบะวอะไรช่ไม่สามารถที่จะได้รับอะไรเลยได้กร า, ารตัตงรัวเป็นบวกตลอดเลยไกคือการหลงทางอันไกล คนที่ปฏิเสธต่ออ o s s พระหานางบัวตาพระเจ้าของพวกเขาเองนะเราไม่ได้บอกพระเจ้าของคนอื่นนะพระเจ้าอะไรบิรอีรบีมสแสดงว่าทุกคนเนี่ยต่างได้รับการการบริหารจาก loss ทั้งสิ้นคือชีวิตของของไม่แต่เป็นผู้ปฏิเสธทานแล้ก็ไม่ละทิ้งในโลกในรอกทิ้งนงฮะอารมณ์เราไม่ตางทั้งหมดไม่ตางทั้งหมดเราไม่ตมม้องใช้กับบิรีรบีปฏิเสธ คือปฏิเสธพระเจ้าของตัวเองก็คือปฏิเสธไม่เอาหมดทุกอย่างที่ได้รับมาเนี่ยคือมันเกิดขึ้นเองหรือว่ามันไม่มีที่มาที่ไปก็เลยเป็ น, นบุคคลที่ได้ลิกะภวตระแลลุนเบอรีหลงทางไกลพล้ซึ่งนี่คือความผิดทําของอรสุภานบางคนแต่ก็ไม่ไม่ไม่ศรัทธาองค์ไม่ให้ปฏิเสธรบกหน้าแล้วก็ไม่ให้ทีใ่นในสุรภูจรวรรคหลับมันแก่อยูรีดด่ ด, ดุลพยาตะจุนยาใครก็ตาที่ มีจุดประสงค์มีเป้าหมายอัลฮายาตันุนยาชีวิตในโลกนี้คือเราไม่ได้บอกว่าชีวิตในโลกนี้เราทิ้งเรียนนี่ชัดเจนแล้วนะแต่ว่าคนที่ให้โลกนี้เ ป, นเป็นเป้าหมายอยู่รีดูก็คือให้มีเป้าหมายนะยูรีดุกีรอดั้มมีแปลว่าต้องการหรือว่ามีเป้าหมายยูรีดุฮายาตันุนยามีวิสัยทัน์สุดที่อัลฮายาตันดุนยาเวอรซีนั่นแหละและความเพรพียวของมันในลอตัิกลมคนที่หลงในดุนยา วันที่นั่นแต่เอางหายไหมครับความมิติธรรมต่อรถสุภาหารวัสคือว่าอะไรอารู้ตลังคือความมิติธรรมที่ไม่มีมุมไหนที่จะบอกถึงความาาไม่มิติธรรมนั้นรู้ตลังนนวฟีใยหิมอามาลาหูฟีฮะเอางงว่าเราก็จะประเคนหนวฟีนี่คือให้ย่างสมบูรณ ว่าฟี่อะไรอาบาลต่าอาบาลุงดูนะอาบาลุงเหมือนกันนะอาบนินดุนยนิดุนอาบลงกเขาูลัด่วกเขาจะอยู่ในดุนยาตามการงานที่พวกเขาได้กระนะครับอย่าไม่บกร่องแต่อย่างใดแสดงว่าอายันี้อายัสุรอะอิสาทให้เราเห็นภาพโลกนี้ชัดเจนขึ้นเราจะได้ไม่หลงนะ เฮ้ยทำไมคนนี้ไม่จะทำต่อว่าทำไมเขได้อะไรอ่ะ ต, ตว่าบอกดูว่าีนีคือประเทศให้กับสองปูลดูว่าปีเล่ยิ่มให้หยังอีดูว่าปีอิเลยิมยังทุกให้หยังสมมุติอีเลยตาตามเร่ตามาการงานรู้เขาเนี่ยแต่นั้นใครเาทำใครไปค้นพบใครไปรู้เอออะไรนะเคล็ดรับต่างารของโลกนี้เนี่ยเรากมให้ไหมให้หัวมุมพิฮาละนี่พอสุดให้แบบที่ไม่บกพร่องแต่อย่างบบ เวลาเราอ่านวอ๋อเข้าใจมันจะได้ไม่ถูกหลอกๆอนนะครับอ๋อทำไมมุสลิมดูมุสลิมทาไมไม่เห็นมีอะไรที่มันทัฒนาที่อันนี้เราผมไม่ได้บอกว่ามุสลิมไม่ไม่ใช่ไม่ควรพัฒนาอะไรส่วนนี้อันนี้คือนั่นที่เร า, า, ราพัฒนาการค้นคว้าการวิจัยอะต่างๆเป็นหน้าที่ของมุสลิมอยู่แล้วถูกไแต่บางนีหลังดูสิในชว่วที่อ่าตกต่ำหรือว่าชว่วงที่เขาเรียกว่าอะไรนะเกิดลเลยกับโรคปีโรคหน้าอะไรเงี้ย แต่มันก็ทำให้เราไ ม, ไม่ไม่หลงประเด็นเหมือนกันเพาะฉะมันไม่ได้ไหมายความว่า อ, อคนที่เขาได้ความเฟื่องฟ้ต่างๆในโลกนี้มี ป, ป้อมในโลกนี้แล้วก็ได้รับตาที่พวกเขาได้ ข, ไดขวยขวายค้นหาค้นพบคน้คนพบเจอเจอลยเราก็บอกว่าเราประเคนให้เขาอย่างสมบูรณ์โดยที่ไม่ได้รับความบกพรองแต่อย่างนั้นก็จริงนะคนที่ไปรู้ความนักตรงนั้นวิธีการทํานั้นทํานี่มาและที่อมันก็เป็นส่วนที่เราสามารถจะเรียนรู้จากเขาได้นะได้ เรียนรู้อะไรจากเขาครับเรียนรู้อไอ้ที่เขาเป็นคนคนละแต่อะไรต่งางๆแต่ในโลกนั้นเรื่องโลกนั้นเราไม่ได้รู้จากเขาแน่นอนเขาเขาจะดีใจรับาตกลงอุลอยกะอูลักะผู้ที่ไม่เสริมนอั น, อนดับอ่นต่คนเหลานี้คนที่อไรฮะมาลุฮเนี่ยคือหนูฟีเลยิมอาลุฮูเนี่ยอัลลอฮ์จะประเกงตามการงานนะคือไม่ใช่ประเกงที้ทุกคน รารมีคนที่ไม่ใช่เ อ, อประสาททาต่อร้อนเนี่ยเขาก็อาจจะเอ อ, อะไรฮะยากจนมีคนที่มีปัญหาชีวิตจะมีมันก็มีระดับที่แตกต่างกัน ห, หรือผู้สัมานันธ์ก็จะมีคนที่ได้รับอะไรที่ดีงามเนี่ยก็มีเหมือนกันแสดงว่าในดุนยาเนี่ยเราให้ให้ใหเท่าเทียมซึ่งความยุติธรรมใครพ้นพบใครได้อะไรเนี่ยก็จะได้รับตามนั้นนะตามอัลมาลาวินะ แตอาาแอออ่อามาลหุ้มก็คืองานของอามาลการงานของบรรดาผู้ปฏิเสธในโลกนี้เราบออกแานอย่างสมบูรณ์และยุบข้อสูลแต่ในโลกน้าที่เราพูดถึงโลกนั้นจะเป็นยังไงครับการงานของพวกเขาเนี่ยการรมานินมันก็ต้องตามนี้เช่นแันในโลกนี้มันเป็นตามนี้แสดงว่าถ้าเราเห็นอะไรความเพื่อนนะครเขาได้รับอะไรไปเนี่ยอย่างสมบูรณ์นี่ ท, ออนนนทําไม เ, เขาได้อพราะเขาปฏิบัติตามสุญลักษณ์ร้อนแรงคำที่เราวางไว้เขาเลยได้รับ มาที่้ำไม่เรามั่นใจว่าโอ้ยใช่เล่นโรคหน้าเนี่ยมันก็ต้องแบบนี้เหมือนกันเป็นโรมาเป็นขี้เท่าอิ t ตัดเดสบิฮิรีฮูฟียอมินาสิฟที่เท่าที่ถูกลมในวันพายุหนักริวและยังไมรู้นมิมมากาซบอาเลชัยไม่สามารถได้ับอะไรจากสิ่งที่พวกเขาได้วนกาซบูมิมมากซาบูได้ขวนเอาอเลชัยสิ่งใดก็ตามเจ้าท่ลารุบันคือการลงทาอันไคร่พน ألم خَلَقَ ا ل แหน่ทั้งที่พร ا เจ้าทรงสรِางสวรรค์และَลกด้วยความถูกต้องพَะเจ้าทรงจะให้คุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุดและพระเจ้าทรงจะสร้างสิ่งใหม่ให้คุณและทั้งหมดนี้เป็นเพราะ สูเจ้ามีสองตัวตารอเนี่ยแราว่าเจ้าตารอเดิมใช่ไหมครัอารมณตารอทําไปเป็นตารอเดิมจะมีตัวยาอารมณตารอหรือใรีบเรียนยาแต่เน้นจังหวะจังะคำ ว, ว่ารออาอย่ารอตารออยู่ท่านเห็นเมื่อมีตัวลังเข้ามาตารอจะกลายเป็นตัดต้องตัดเพราเรียกว่าท่านสวยล้คือการตัดท้ายของอักษรที่ ไม่สบายอักษรคืออักษรที่ไม่สบายเรืออักษรที่มีปัญหาในสัต์ตัวอเลฟบาวยันถ้ารำเข้าไปเด็กก็จะตัดอักษรสามตัวนะอเลฟบาวยันอ่าแล้วตลอเจ้าไม่เห็นอกหรืออะไรจะได้รู้อออมตอนี่คือนี่คือความหมายหรือว่าเออทไมถึงเป็นตลอดตอนี้บางทีไปเปิดทุจรนตกุ๊งไม่เจอเฮ้ต้อง่นาจาเข้วามาจากคำว่ารออะอยรอเอ่อรำรำรอดไม่เห็นอะไรครับ أن الله ألا خلق السماوات والأرض بالحق؟ ألا أي س ا ن سام فرع لا حدين بالحق؟ بدل الحق بدل الحق؟ ตาเนี่ยไม่ใช่บอดแต่อะไรบอดครับกูรู้ก็คือใจเนี่ยใจบอดแสดงว่าทีที่เราโอ้คุณไม่เห็นอะไร้วเราสร้างเราสร้างแต่เมื่อไหร่ถ้าเขาจะตอบก่อนนะเราสร้างัแต่เมื่อไหร่เราก็สร้างแต่บอรที่เราจะเกิดใช่แต่ที่เห็นในที่นี้ก็คือการใช้ใจถึงการให้ควรการคิดการพิจารณานะ่ไห ไม่เห็นเรือแล้วถามว่าการที่อลอสสุปทานนาหัวดาราสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินบินขักบนความเป็นจริงก็คือที่ผมนําเสนออายักก่อนหน้านี้ก็คือไม่ใช่ เ, เล่นๆต่อรับสร้างมาเนความเป็นจริงกวคือบุรุษเขาอธิบายมชลล์บุฟเฟอร์อันเดอร์ไซด์บอกว่าสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเนี่ยเพื่อยังประโยชน์กับมนุษยชาติ ช่งฟ้าและแผ่นดินเดบรอยละในซูรร์ทีบรอดีมเนี่ยก็จะกล่าวถึงนะครับเราจะกาวถึงความโรดปรปปองเราที่เรเอำนวความสะดวก ต, ต่างๆให้กับบรรดาผู้ศรัทธาเาว่าเจ้าไม่เห็นหนบหรีเราสร้างชั้ทั้งหลายและแผ่นดินด้วยความเป็นจริงเนอย่างไรเราสาร้างมาอย่างมีเหตุมสาสร้างมาอยา่างมีมีประโยชน์ทุกอย่างที่เรา ส, า ร, สาร้สางเราสร้างมี้างอย่ามีประโยชน์อำนวยความสะดวกให้กับมนุษยชาติ Blue คือคือใครใครจะรู้ว่าน้ํามันเนี่ยที่อยู่ใต้ดินเนี่ยจะมีประโยชน์กับมนุษย์มหาศาลแค่ไหนเราสร้างให้ใครครับเรือที่เดินสมุทรเดินทะเลเนี่ยมีประโยชน์กับมนุษย์มหาศาลเครื่องบินลมเครื่องบินนี่คือกลักการบินก็คือเรื่องจัดลมใช่ไหมและลมที่เรากล่าวในโบราณเนี่ยเยอะมากก็มีประโยชน์กับมนุษย์ใมหาศาลและสิ่งถูกสร้างเหล่านี้เนี่ยไม่มีใครจะได้รับประโยชน์เท่ากับที่มนุษย์ได้รับประโยชน์ ไม่มีสัตว์มีชีวิตไสนเดินทะเลยีไหมฮะไม่มีคือดินปินก็ไม่มีจะเป็นคนเจาขึ้นเขาไม่แหขึ้นไปสัตว์แล้วไม่มีสัตว์มีชีวิตไหนไปสูบเอาน้ํามันจากทะเลมีไหมฮะไม่มีไปน้ํามันคือจากทะเลหรือรูปจากแผ่นดินนะฮะมีกมีไม่ครับไม่มีแสดงว่าสิ่งต่างตเหล่านี้เนี่ยแล้วก็สัตว์สัตว์สิ่งมีชีวิตอื่นเขาก็ไม่คิดเหมือนกันแล้วไม่มีทางที่จเห็นแน่นอนเพราะสัตว์นี่คือเขามีเป้าหมายในการ แต่บนชีวิตของเขานะ่วัวมีเป้าหมายนะฮะต้องดูวัวพี่เราต้องดูการสร้างข อ, องอตอนที่สร้างวัวมานะโคจรชีวิตของเขาอ่ะของมันก็ได้นะของเขาก็ได้วัวเรียกว่ากรหล่หน่อยคือให้ให้เจียดสัตว์นะแต่ค น, นก็ไม่ให้เจียดดูชีวิตของวัววัวเนี่ยกว่าจะโตคนกว่าจะโตสองสองขวบไม่ใใตเลยนะ <c oughs> เด็กๆใชนะ่ไหมแต่วัวเนี่ย ัวสองปีเป็นไงฮนะเชื่อได้แจลยิงแพะยีแกะแสดงว่าโคจรชีวิตของมันเนี่ยโตนเนี้ยคือวัวไม่ต้องดูทำอะไรบ้างกนะินถ่ายกินถ่าย่เท่านั้นนะไม่ได้มีวงจรอะไรที่มันซับซ้อนมากถูกไหมครับแล้วทำไมแบบนี้ฮะเพราสร้างว้เพ่อทุกท่าน หัวแรดีเขาเล่าประวกมาพิลอาร์ตจมยอาไว้ที่พูดว่าสมาพิอาร์ติละกหมาอาร์ติจามีย์สั่งสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินให้แก่พวกเจ้าทั้งหมดแสดงว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างมีเขาเรียกว่าเขามีเป้าหมายของเขาจะไม่วัวกินทั้งวันทั้งคืนมีใครไปวอนมันไหมฮะไม่ปวดทําไมการที่ชีวิตเขาถูกสร้างมาในแบบนี้ให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์แต่มนุษย์กินทั้งวันทั้งคืนจะได้โดนตำหนิแน่นอนใช่ไหมครับ มันมีอะไรมันมากกว่านั้นแม้การกินเนี่ยก็จะไม่ห้ามตางใช่ไหมะังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจาว่าอ๋อ Allah สร้างอาคารสร้างสิ่งป า, าหายมาและกผ่นินเนี่ยอย่างมีเป้าหมายอะฟาร์ิประตุมอันนมาแปลวากระตุ้มอาบะันเราไม่ได้สร้างมนุษมาเช่นกันนะครับแบบอาบละทันแบบว่าไม่มีเป้าหมายแล้วเป้าหมายของสรรพสิ่งต่า ง, ง, งเนี่ยเพื่ออะไรครัเพื่อพวกเจ้า อ้คือเป็นสิ่งที่เราเข้าใจและเราสัพเพเหตุการณต่างๆที่เราสร้างมามนุษย์ช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเพื่อพรกเจ้าอันนีเราเถูกสร้างมาเพื่ออะไรก็ต้องตอบโจทย์เมื่อทุกสิ่งถูกสร้างมาเพื่อมนุษย์แล้วแล้วมนุษย์ถูกสร้างมาเพื่ออะไรครับเราก็บอกว่ามาคาร์ดูนจินวันอินสอนน์อินแล้วเรียบบุญแล้วก็มันสร้างจินไล้มนุษย์มาเพื่อในท้องจากเพื่อไอ้บรรลักษณะแสดงว่ามันชัดเจนนะฮะชัดเจนทุกอาาย่างทำไมพุะสิมบอส ช่งมูรบันเชิดววเชแพะเชิดแกะกินได้เอาาสร้างมันเพื่อมนุษย์มันไม่ใช่เรื่องที่แปลกอีกเป็นเรื่องที่ทรมานสัตแน่นอนะแล้วมนุษย์แต่ถูกสร้างมาเพื่ออะไรวอาเป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าสัตรนันี้สรรพสิ่งัต่างไม่ใช่เพียสัตว์เดียวนะครับบอกน้ำมันบอกทรัพยากรธรรมชาติแต่ใครออกมาใช้มนุษย์ทั้งสิ้นียวกมาใช้ปลาในทะเลเอาเราาสร้างระบบน้ำฝนต่างๆให้มนุษย์ใช้ทั้งสิ้นและมนุษย์ถูกสร้างมาเพื่ออะไร และเป็นที่น่าแปลกสารเหล่า น, นี้สรรพสิ่งเหล่า น, นี้เราให้เป็นประโยชน์กับมนุษย์แต่มนุษย์ให้บาระต่อเราและการอิบาระต่ออนั้นจะกลับมายังประโยชน์กับมนุษย์อีกส่วนหนึ่งอีกตอ น, นึง่แสดง ว, ว่าทั้งหมดเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อมนุษย์ังนแม้แต่การอิบาะที่เราบอกามาอูรดูมินุมิริสิลังจที่บอกว่าไม่ได้สร้งางจิมนุษย์าเพื่อในนเพื่ออิบาะ แล้วอกต่อไปว่าถ้าไม่ต้องการให้พวกเขาให้ทฤษฎีแก่ข้าวัมาอูรีอยู่อายุอายมูและไม่ต้องการที่จะให้พวกเขาให้อาหารแก่ข้าเช่นกันอินทร์มอนโวันรสและอัลตานาคือผู้ที่ประทานทฤษฎีให้อย่างมากมว่แสดงว่านี่คืออายะที่ให้เราเนี่ยให้ควรการสร้างขอชั้นฟ้าเท่าไรและแผ่นดินปีนะับสร้างอย่างจริงไม่ได้สร้างมาแบบเล็นเลนชีวิตของเราก็ต้องเป็นชีวิตที่มีมีความจริง มีสัจธรรมอยู่เพราะาชีวิตไม่ได้ถูกสร้างมาแบบเล่นๆนะฮะอิเยชาอือฮิดกุมหากอัลลอฮฺประสงค์พระองค์ก็จะให้พวกเจ้าเนี่ยไปคือไม่ได้มีค่าถ้าหากว่าอะไรนะถ้าหากว่าไม่ได้ใชชีวิตอย่างมีคุณค่าเหมือนกระบิดอาคุเบริเซตแต่ชีวิตมีคุณค่าสร้างมาอย่างมีเป้าหมายเพื่อโลกหน้าเอัลลอฮฺสุบฮานะฮูอัตตาละ่ะแต่ถ้าไม่มีครับยุดฮิดบุบวะยอตีดีคอลกินจัดีในาจะรํากัน สิ่งที่อสร้างอื่นมาใหม่ที่ดีกว่าไอ้นี่เราบอกในตท้างสรุปธรรมว่าอินารวลาทกท่านผิดหลังให้ yes ลิลตูกเต้ามันไเราคุมแล้จะเปลี่ยนแปลงเต้าันคุมชนอื่นไว้เราคุมที่ไม่เหมือนกับพรเจ้าไม่ใช่พระเจ้าซุนมาลาซุนมาลายากูนูอัมซาจะคุมและจะไม่ปฏินนบัติตนเหมือนกับพระเจา อาณลักษณะนี้เนี่ยก็เป็นการปูสังคับนะครับในขณะเดีกันก็เป็นการย้ำเตือนพวกเราแต่ว่าอล้อสุภานวราชสรรพสิ่งเรานี่มาเนี่ยยังมีเป้าหมายและสร้างเรามาเช่นกันย่างมีเป้าหมายด้วยกับสิทธรรมและหากเอาล้อประสงค์ใ น, นีะนำโปชั่นเนี่ยออกไปและเปลี่ยนเป็นสิ่งถูกสร้างอื่นเนี่ยมานะครับวรม า, ารดาอุรโยธิราชดังกล่าวนี้ไม่ได้เป็นเรื่องยากแก่ล้อสุภานวราชนานเลย แสดงว่าเ ป, เป็นเรื่องไรเป็นเรื่องได้เราสามารถที่จะกระทาได้ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของขลอสุภาราตานั่นก็คือเนื้อาหาที่อยากจะรับเสนอคับพี่น้องในวันนี้นะครับหวังว่าจะได้รับบทเรียนได้รับนู๊ตรัศมีและทางกาที่มาจากทั้งพุทธานะครับจะได้ใช้พุทธานี้เนี่ยคับเพื่อนชีวิตและก็มองสราพสิ่งต่างๆให้คมชัดมากยิ่งขึ้น แล้วกำหนดท่าทีของเราว่าเราควรจะปฏิบัติอะไรไม่ปฏิบัติอะไรชีวิตถ้าถูกทังเกตได้กับตั้กรุรอฮ์เสมอเนี่ยมันก็มันทําให้มีภาพเชัดเจนมากขึ้นขึ้นหรือมันทําให้มีกําลังใจมากขึ้นขึ้นและทําให้เราเห็นเข้าใจโลกมากขึ้นว่าเอ๊ะมันอะไรจากนั้นอะไรแบบนี้ที่เกิดแบบนี้แบบนั้นเนี่ยมันเพราะอะไร เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์เข้าใจความเป็นไปสุดตุนล้อที่เราได้กำหนดมาเนี่ยกับโลกใบนี้เนี่ยมากขึ้นพเพราะเคลดลักต่างๆในการดำเนินชีวิตเนี่ยล้วนแล้วแต่อยู่ในอนุรักษ์สิ้นะก็บอกว่าเราจะได้รับทางนำจะได้รักเอา้าฟีบการประสบความสำเร็จจากล็อกสุขภาพหัวต่างๆครับ ข้า ا เจ้าจะเป็น و นุนอิอัลกุรอรีน่าจะและอัลตัม م ิรุลลอฮ์อัลไกร์มิลุและคุณแล صحاب าแ